สรุปก็คือวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของคําว่าปัญญาในคําว่าปัญญาในพราศาสนามีชื่อค้นข้างเยอะถ้าในคำภีสติปทานก็จะมีคําว่าอาตาปีสัมปชานโนสติมาวินยะโลเกอภิชาโทมานัสสังโดยจะพูดถึงในเรื่องของคําว่ามีความเพียรมีสัมปัญญามีสติ ถ้ามีเวลาก็จะไปขยายตัวสัมปชัญญะซึ่งมีมากมายเหลือเกินแต่ตอนนี้วันนี้ไม่ทราบว่าจะมีเวลาขนาดนั้นหรือเปล่าก็คุยกันสนทนากันเนะาะเมื่อวานพูดถึงในเรื่องของโมหะดันั้นวันนี้ก็เลยมาพูดถึงในเรื่องของปัญญาทีนี้ปัญญาเนี่ยเป็นหนึ่งในสภาวธรรมแล้วก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด เป็นองค์สําคัญที่สุดในพระศาสนาเลยนะที่เรียกว่าปัญจุตราสเพธรรมาทำทั้งหลายมีปัญญาเป็นยอดมีปัญญาสูงสุดในอริยมรรคมีองค์แปดนั้นท่านจะขึ้นความเวสสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องท่านก็ชี้ลงไปว่าคําว่าเห็นที่ถูกต้องคือเห็นอะไรบ่าเห็นในอริยสัจสี่เห็นในอริยสัจสีก็คือเห็นในไร รู้แจ้งแทงตลอดทุกขสัจจะตามความเป็นจริงรู้แจ้งแทงตลอดสมุทัยสัจจะตามความเป็นจริงรู้แจ้งแทงตลอดนิโรทัศสัจจะตามความเป็นจริงแล้วก็รู้แจ้งแทงตลอดมรคสัจจะตามความเป็นจริงถ้าพูดถึงในเรื่องของคําว่าญาณสนะที่เรียกวสัจญญาณกิตญาณแล้วก็กตตาญาณญาณศัพท์นั้นก็เป็นชื่อของปัญญาเป็นนูเววัจนะเป็นไวยพจน์ของคําว่าปัญญายเหมือนกัน ที่บอกว่าญาณปัญญาได้เกิดขึ้นแก่เราว่านี้ทุกนี้เหตุให้เกิดทุกนี้ความดับทุกนี้ปฏิปทาทางดําเนินให้เข้าถึงความดับทุกอันนั้นเป็นรอบแรกรอบที่สองว่าทุกเป็นกิจที่ควรรอบรู้ควรกาหนดรู้ก็คือจับตัวมันให้ได้สมุทัยเป็นกิจที่ควรละควรประหาร เป็นปานกิจนิโรธก็คือเป็นกิจที่ควรประจักแจ้งควรรู้ถึงส่วนคําว่ามาร์กเป็นกิจที่ควรเจริญอันนี้สําคัญมากนะรู้จักอริยสัจสี่แล้วก็รู้กิจในการที่จะพึงกระทําต่ออริยาาสัจด้วยส่วนรอบสุดท้ายก็คือว่าทุกพระพุทธเจ้าทรงรอบรู้หมดเส้นแล้วสมุทัยก็ทรงละหมดแล้วนิโรธทรงประจักแจ้งแล้วแล้วก็มาร์ก อบรมเจริญให้บริบูรณ์แล้วเป็นต้นอันนั้นก็เป็นเป็นชื่อของปัญญาฉะนั้นวันนี้เวลาเราสนทนากันก็สอบถามแสดงความคิดเห็นอะไรก็ว่ามานะหลังจากเ อ, อิมสงสัยใดๆก็นั่งสนทนากันทีนี้พูดถึงในเรื่องของปัญญาก่อนเป็นนามชาติที่เป็นใหญ่ถ้าเป็นปัญญินีปัญญาภราก็ว่าไปนะทีนี้ตัวปัญญาเนี่ย เป็นประธานในการรู้เหตุผลของสิ่งทั้งปวงตามความเป็นจริงก็คือรู้ในอริยสัจธรรมทั้งสีดังที่ได้กล่าวนี่แหละทีนี้บทบาทของปัญญาเนี่ยบางทีเราได้ยินคําว่าอโมหะใช่ไหมเมื่ตรงข้ามกับเมื่อวานาวานี้เมื่อวานนี้เลยเรียนเรื่องโมหะหรืออวิชชาก็คือเป็น หมายถึงธรรมที่ทำให้ผลและธรรมเกิดขึ้นและเจริญขึ้นอโมหเหตุเนี่ยรวมทั้งทำให้ผลและธรรมตั้งมั่นในอารมณ์ที่ถูกต้องซึ่งเป็นเหตุให้กุศลธรรมทั้งหลายก็เกิดขึ้นทำให้กุศลธรรมหรือผลธรรมที่ตั้งมั่นและเจริญขึ้นได้ถ้าพูดถึงเรื่องเหตุมันจะมีโลภะเหตุโทสะเหตุโมหะเหตุอะโลภะเหตุคือความไม่โลภอโทสะเหตุคือความไม่โกรธ อโมหาเหตุคือความไม่หลงก็ละเหตุหกแต่คําว่าเหตุในที่นั้นนี่ยก็แปลว่าธทำที่ทําให้ผลธรรมที่เกิดขึ้นและเจริญขึ้นรวมทั้งทําให้ผลธรรมตั้งมั่นในรมที่ถูกต้องถ้าโมหาเหตุจะเป็นอย่างนั้นถ้าโมหาเหตุก็คือทําให้ผลแลรทำเกิดขึ้นด้วยแล้วก็เจริญขึ้นรวมทั้งทําให้ผลแลรทำตั้งมั่นในรมที่ไม่ถูกต้องเห็นไหมมันมันจะมันจะต่างกัน ทีนี้มาพูดถึงในเรื่องคําว่าสัมมาทิฏฐินี่ก็เป็นปัญญาเหมือนกันสัมมาทิฏฐิหมายถึงความเห็นชอบตามทํานองครองธรรมจนถึงสัมมาทิฏฐิในมัตที่เป็นประธานในการประหารอนุสัยกิเลสอย่างเด็ดขาดจากขันธสันดานเป็นหนทางไปสู่สุขติและพันิพานเห็นไหมว่าตัวสัมมาทิฏฐิเริ่มตั้งแต่กรรมสักกาตาสัมมาทิฏฐิ วิปั ส, สนาสัมมาทิฏฐิชานาสัมมาทิฏฐิมรักษสัมมาทิฏฐิหรือตัวเนี่ยตัวประหารกิเลสได้จริงๆเลยนู่นต้องเป็นปัญญาในอริยมรรคนุนปัญญีสีคือปัญญาเจตสิกเป็นปัญญินทรีย์หมายถึงคุณธรรมที่เป็นใหญ่เป็นผู้ปกครองในหน้าที่ของตนโดยไม่ก้าวไายหน้าที่ของธรรมะอื่นๆแล้วก็พูดถึงอีกตัวหนึ่งก็คืออนัญญาตัญญสามีตินีก็คือ เป็นปัญญาเจรสิกอัญญาอนัญญาตัญญาสามิตินสเคยไดเคยสวดบทนี้ไหมอินรียี่สิบสองมันจะมีคำว่าเรสวดไปจากขุนสียังโสตินสียังเป็นต้นแล้วก็ไปถึงปัญญินรีเนะปัญญินรียแล้วก็มีอนัญญาตัญญส า, ามิตรินรียอัญญินรียแล้วก็ปัญญาตาวินรีเป็นต้นก็คือเป็นชื่อปัญญาแลยแหละแต่ถ้าหากว่า อนัญญาตัญญาสมาตินสีหมายถึงปัญญาเจตสิกในไหนในโสดาปฏิมัคขจิตเห็นไหมถ้าปัญญาในโสดคือปัญญาในโสดาปฏกกิมัคก็มีก็ทํากิจในการประหารกิเลสปัญญาที่ในสกาธาคามิมัค ก, ก็ทํากิจในการประหารกิเลสปัญญาในอนาคามิมัคก็ทํากิจในการประหารกิเลสปัญญาในอรหัตมัคก็ทํากิจในการประหารกิเลส ในพระศาสนานี่มีอริยมรรคมีอยู่สี่มรรคหมายถึงโลกุตระมรรคเนี่นะแล้วก็มีโลกุตระผลอีกสี่ผลใช่ไหมมรรคสี่ผลสี่อ่ะที่เราพูดกันน่นั่นแหละนิพพานหนึ่งเป็นนั้นเป็นตัวสภาวะธรรมเป็นโลกุตระธรรมฉะนั้นถ้าปัญญาประกอบในโสดาถ้าปัญญาที่เกิดขึ้นในมหากุศลทั้งหลายที่ไปพิจารณาเหตุและผล กรรมและผลของกรรมก็เรียกกรร ม, มสกตาสมาธิทิถ้ถปัญญาไปพิจิถิถิถิถิถิถิถิถิถิยความไม่เที่ยงเป็นถิถิญญถิถิถิถิถิติถิถาาิถิถนนิาิถิถิถิาิถิถิถิถิถิถิถิถิถิถิถิถิถิถิถิถิถิถิถิถิถิถิถิถปถิถิถิถิาิาิถิถิถิาิถตถิถิถิถิถิถาถิถิถิถิริถิถิถิถิถรถิถิถิถิถิถิถิถิถิิ สมาทิฐิที่ถูกต้องในฌานหรือเข้าใจในตัวสมัยแต่ถ้าปัญญาที่อยู่ในโสดาปฏิมาศไปทํากิจในการประหารสักยทิฐิวิจิกิจฉาสีระประตปรมาศหรือทิฐิกวิจิกิจฉาให้หมดสิ้นในกระแสชีวิตปัญญานั้นเรียกว่าอนัญญาตัญญสามีตินีเขาแปลว่าปัญญาในโสดาปฏิมากิจซึ่งเป็นสภาวธรรมที่รู้พระนิพพานเป็นครั้งแรก โดยที่ยังไม่เคยรู้มาก่อนนั้นเวลาบุคคลเจริญวิปัสนาญาณเจริญสมถะเจริญวิปัสนาญาณที่ทิ้ดๆไปตามลําดับเนี่ยไอตัววิปัสนาญาณที่เกิดขึ้นนั้นเขาเรียกว่าวิปัสนาสมาธิฏิแต่พอปัญญามีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นไปประชุมในโสดาปาริมักปุ๊บเห็นพระนิพพานเลยปัญญานั้นก็ไปสัมผัสพระนิพพานเป็นอารมณ์ปุ๊บกิเลส ข, ขาด ขาดไปสามตัวสักกายทิฏฐิเห็นว่าเป็นอัตตาตัวตน ว, วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในพระรตนาไตรในคุณความดีเพนั้นแล้วก็สีทัพตปรมาสการปฏิบัติที่ผิดพลาดทั้งหลายหลุดจากใจเลยกิเลสสามตัวนี้หลุดเขาจึงเรียกว่าปัญญาตันตันปัญญาอนัญญาตัญญสามาตินสีสีเป็นปัญญาที่ในโสดาปิมักขจิตอะารอยังนี่เรายังไม่ได้ถ้าใครทําตรงนี้ได้ปุ๊บ ท่านวันนั้นจะปิดอบใบพวงหมดสิทธิ์ในการไปเกิดเป็นสัตว์นรกหมดสิทธิ์ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานหมดสิทธิ์ไปเกิดเป็นเปรตหมดสิทธิ์ไปเกิดเป็นอสุรกายประตูสี่ประตูในใบูมิปิดตึงถาวรเลยคุณไม่ไปแล้วบาใบาบอดหนวกคุณก็ไม่ไปแล้วเนะและและคุณจะไม่ทําปานาติบาตอัธยาศัยคุณไปเกิดนะที่ไหนจะไม่ทำปานาติบาตอธินนาทานกาเมสุมิชาฌานเป็นต้นไม่ทําแล้ว จะมีออกของมึนเมาใส่ในกระแส ช, ชีวิตเลยและคุณจะไม่ทํามาตุคาตปีตุคาตอาหารตคาตโลหิตุบบาทสังกเพศจะไม่เป็นมิชาที่ติต่อไปเลยเพราะถอนได้เด็ดขาดแล้วเห็นไหมเนี่ยชั้งห่าสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยเป็นอัตฐานะเลยนะคือคนที่บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วจะไม่ทํามาตุคาตจะไม่ทําปิาตุคาตจะไม่ทําอาหารตคาตจะไม่ทําโลหิตตุบาบาทจะไม่ทําสังกเพศ แต่เป็นไปได้ที่ปุถุชนที่จะทาํามาตุาตาคาตปิตุคาตอาหารตะคาดโลหิตุบาสังฆเพศฉะนั้นพวกเราเป็นปุถุชนเป็นไปได้ถ้าได้เหตุปัจจัยเมื่อไหร่เราจะไปฆ่าแม่ฆ่าพ่อฆ่าพระอาหารทําพระเจ้าให้หอพระโลหิตแล้วจะทําสังฆเภท น, นี่คือความน่ากลัวของควาเป็นปุถุชนฉะนั้นถ้าได้อนัญญาตัญญาสามีตินทรียเกิดขึ้นปุ๊บ ท่านปลอดภัยแล้วท่านปลอดภัยแล้วเป็นประเภทไหนอ่ะเป็นเอกับพีชีโกลังโกลาหรือสัตตะคตุปรม a ถ้าเป็นเอกับพีชีท่านจะเกิดอีกชาติเดียวแทงตลอดแล้วก็ลลกไล่เป็นบรรลุตามลําดับเพ่งมากไปจนถึงบรรลุเป็นบ้ารหังนั้นถ้าเป็นโกลังโกลาก็ตั้งแต่สองถึงหกถ้าสัตตะขตุปรม a ก็คือไม่เกินเจ็ดท่านเที่ยงแท้แ น, น่นอนที่จะเข้าถึงอนุ ป, ปาธาบาลินิพพาน อัญญสีนี่คือปัญญาเจตสิกเหมือนกันหมายถึงปัญญาในมัคเบื้องบนสามและผลเบื้องต่ำสามอัญญรียก็คือปัญญาในโสสกาธาคามีมัคปัญญาในอนาคามีมัคปัญญาในอาราธามัคเนี่ยมัคเบื้องบนสามและผลเบื้องต่ำสามปัญญาในโสดาปฏิผล โซดาในปัญญาในสกาาคามีผลปัญญาในอนาคามีผลใชเนี่ยเขาเรียกว่าอันยินรียก็คือปัญญาในซึ่งเป็นสภาวธรรมที่รู้พระนิพพานที่เคยรู้มาแล้วเนี่ยจากโสดาปฏิมาร์ฉะนั้นปัญญาตั้งแต่เกิดขึ้นในโสดาปฏิผลสกาธาคามีผลอนาคามีผลแค่นี้นะปัญญาในนี้เรียกอันเรียกอันยินรีย หรือปัญญาในสกาทาคามีมกักอนาคามากัอมากอาราตมักเว้นอาราตผลถ้าปัญญาในอาราตผลเขาเรียกว่าอัญญาตาวินสีไม่ได้ทากิจในการประหารกิเลสนะ เ, เป็นหมายถึงปัญญาในอาราตผลซึ่งเป็นสภาวธรรมที่รู้ปฏิพานตามที่รู้มาก่อนแล้วนั่นแหละเห็นไหมนี่คือการแยกปัญญาตามระดับต่างๆเวลาเราสวดอินทรีย์22 หักขุนตรียางโซตินตรียางคานินเชียชิวหินสี่ยังก็เรื่องรูปอินทรีย์ไปก่อนแล้วก็ไล่ไปเจอเน่สุขขินรี่ยังสุขเวทนาทุกขินสี่ยางทุกเวทนาอุเปกขินสี่ยางเนี่ยธรมนัสสินตียางเนี่ยเป็นตัวหะไรเนี้ยสองมนัสสินรี่ยางนี่เป็นเวทนาอินเวทนาห้าแล้วก็สัตทินรี่ยังสัตทินรียวิริยินรียสตินสีย สมาทินีและกัปัญญีนีไอตัวปัญญินีนี่แหละที่มาแยกแยกเป็นอนัญญาตัญญสามีตินีปัญญาในโสดาปริมกักอัญยินีคือปัญญาในมักเบื้องบนสามผลเบื้องต่ำสามแล้วก็อนญาตาวินีก็คือปัญญาที่ไหนอรัตผลเนี่ยแค่นั้นเองคือการแยกให้ออกว่าปัญญาอยู่ในระดับไหนระดับไหนก็เรียกไปตามสภาพของปัญญานั้นๆอินีนั้นๆ ทีนี้ชื่อของปัญญามันยังมีอีกต่างเยอะเช่นปัญญาภละเนี่ยหมายถึงคุณธรรมที่มีกําลังไม่หวั่นไหวต่อธรรมที่เป็นปฏิปักษ์ปัญญาภละเป็นปฏิปักษ์ต่ออะไรถ้าศรัทธาพละเป็นปฏิปักษ์ต่ออสัตอสัตทิยาความไม่มีศรัทธาใช่ไหมวิริยภละเป็นปฏิปักษ์ต่อโกสัศชะอกุศล อะไรคือตัวโกสัจฉะอากุศลโงกง่วงเซ็งซึมนั่นแหละฉะนั้นเพราะไม่มีปัญญาภระพพ่อมีปัญญาภรัปุ๊บเออไม่ใช่เพ่อไม่มีวิริยะภระถ้ามีวิริยะภระพปุ๊บมันจะระดมความเพียรกล้ากล้าอาถรรพ์ขึ้นมาสติภรัพเป็นปฏิบักษ์ตอมุทัสติเออมุทัสติอกุศลอะไรคือมุทัศติอกุศล ปล่อยใจเลอะเรือนเลือดลอยเลือนเลอะเรือนเรือนหลงลืมบ่มคือกุศละจิตไม่เกิดปล่อยเพลินเพลินหลงหลงลืมลืมไปเคยเป็นไหมปล่อยจิตไปเรื่อยตามสีเนี่ยเคยไหมนี่เรามุตัสติการหลงลืมการเลอะเลือนการฟั่นเฟือนการเรือนหลงคือการประมาท ป่อยจิตไปตามสีเสียงกลิ่นรสผลิตภาัไม่มีสติกำกับอยู่กับตัวเป็นบ่อยไหมอาการแบบนี้แปลว่าไม่มีสติภร ะ, ะสมาธิพร ะ, ะกำจัดอะไรวิเคปาก็คือความฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านส่วนปัญญาภละเป็นปฏิปกักษ์ต่อสัมโมหะทั้งหมดเลยครับนั่นแหละอกุศลทั้งหมดนั่นแหละที่มีความหลงอยู่ทั้งหมดนั่นแหละนี่ปัญญา ภะละเป็นปฏิปักษ์เพั้นปัญญาภะระเนี่ยจึงไม่หวั่นไหวต่อธรรมที่เป็นปฏิปักษ์ก็คือไม่หวั่นไหวต่อความไม่รู้ใครมีใครมีกำลังตัวนี้เราจะเป็นคนที่ไม่กลัวไม่หวั่นไหวต่อสัมโมห oh ะต่อความมืดบอดต่อความหลงวางเ ถ, ถ้าไอตัวตัวปัญญาตัว น, นี้เกิดขึ้นก็คือมันมันสิการใส่ใจฟัง คิดใคร่ครวญแล้วก็ทําให้ประจกักษ์กำจัดมีมีพลังที่จะกําจัดไม่ได้ได้วิมังสาธิปฏิเคยได้ยินคำนี้ไหมคุณธรรมที่เป็นใหญ่เป็นผู้ปกครองในสัมพยพ ธ, ธรรมที่เกิดพร้อม ก, กับกตนให้เป็นไปตาม น, านั่งตนก็คือตรงนี้เป็นตัววิมังส า, งสาหรือวิมังจิไอ้เต้แปลวแปลว่าสอบสวนก็ได้แปลว่าตรวจสอบก็ได้ เป็นวิมังสิต ท, ที่บาทด้วยเนาะหมายถึงคุณธรรมที่ไปเดชได้สำเร็จตามความประสงค์แห่งปัญญาตัวนี้เป็นตัวตรวจตราสอบสวนแยกแยะองค์ประกอบใครที่มีตัวปัญญาประเภทนี้เยอะจะเป็นคนที่กำกับเหตุกากับผลเวลาะจะทำอะไรปุ๊บเนี่ยจะต้องขอแยกส่วนประกอบว่าอะไรมันเป็นเหตุแหงความสำเร็จอะไรเป็นเหตุแหงความล้มเหลวเป็นคนมักจะแยกตรงนี้ม แยกคิดองค์ประกอบกระบวนการนี่มันมายังไงไข้ควรมาเป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมมันเป็นเหตุเป็นผลยังไงเป็นต้นแล้วก็ธรรมวิจยะสัมโพวชงอันนี้เป็นองค์แห่งการตัดสรู้เนือริยสัจเป็นชื่อของปัญญาธรรมวิจยะวิจัยแยกแยะอันนี้ก็เดี๋ยวไปดูในรายละเอียดทั้งหมดเหล่าเนี้สิบประการเอามาในที่นี้พูดเรื่องเววัจนะหรือ วัยพศของคำว่าปัญญาทีนี้ไปดูในลัคณาจตุกะถามบอกว่าปัญญาเหล่านี้จะเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยตัวกำลังของโยนิโสมนัสการคือการพิจารณาโดยแยบขายเป็นเหตุใกล้เนาะกำหนดพิจารณาเนี่ยทีนี้การที่จะรู้รายละเอียดของตัวปัญญาเนี่ยสคัญที่สุดก็คือว่าในในชื่อของปัญญามันจะมีอย่างนี้ มีคาว่ายะถาสภาวะปฏิเวทารคณาปัญญานั่นคำหนึ่งลักษณะนะกับคำว่าอัคคลิตะปฏิเวทลรคณาวากุสลสาสะคิตตาอุสุปฏิเวโทแปลว่าอะไรเนี่ยแปลบอกว่ามันมันสามสามความหมายเลยเนะลักษณะของปัญญาเนะี่ยคือ สภาวธรรมที่รู้แจ้งสภาวะลักษณะและสามัญสามัญยลักษณะของสภาวธรรมตามความเป็นจริงไอตัวเนี้เลือยถาภูตะปฏิเวธลักขนามีการรู้แจ้งตามความเป็นจริงเป็นลักษณะเจาะลงไปตรงนี้ก็คือรู้ทั้งสมมุติสัจจะและปรมัตสัจจะไอตัวปัญญานี่นะคำว่าแทงตลอดเนี่ยแจ้งแทงตลอดในความหมายนี้ก่อน รู้แจ้งแทงตลอดสมมุติสัจจะและปรมัตถสัจจะสมมุติโวหารและปรมัตถวหารอะไรคือสมมุติสัจจะสมมุติแบบโลกโลกก็ไม่หลงในสมมุตินั้นๆจะบอกว่าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่เป็นตาเป็นย่าเป็นยายเป็นลุงเป็นป้าเป็นรถเป็นบ้านเนี่ยมองบ้านมองตึกทั้งหลายไม่หลงกับมันเลยอย่างพวกเราหลงนะถ้าก็เขียนว่าเป็นคอนโดเราก็สําคัญเป็นคอนโดเลยนะถ้าไปเขียนว่าเป็นอะไร ทาวเฮ้าส์ก็เรียกว่าทาวเฮ้าส์เขาเขียนว่าเป็นบ้านก็สำคัญว่าบ้านเขาเขียนว่าเป็นตึกก็สำคัญว่าตึกเขาเขียนว่าห้องแถวก็สำคัญว่าห้องแถวเขาเขียนว่าห้องประชุมก็นึกว่าเป็นห้องประชุมจริงๆใช่ไหมเขาเขียนว่าเป็นโรงอาหารก็นึกว่าโรงอาหารเนี่ยไม่เข้าใจสมมุติเขาเขียนว่าเป็นโรงเรียนเป็นสำคัญเป็นโรงเรียนโรงพยาบาลก็นึกว่าโรงพยาบาลแล้วความรู้สึกมันจะต่างจริงๆต้งสังเกตด้วนะคนที่หลงสมมติเนี่ย เขาบอกไปอยู่วดัดโอ้ค่อยช่วยสบายหน่อยไปอยู่บ้านอึดอัดอึดอัดอย่างเงี้ยนะถ้าชาวบ้านถ้าอยู่วัดอึดอัดอึดอัดถ้าอยูอ่บ้านรู้สึกสบายอย่าเงี้ยมันจะมีความรู้สึกบ้านเราบ้านเราบ้านเราเพราะมันไม่รู้แจ้งแทงตลอดสมมติติสอบจากตามความเป็นจริงไม่เข้าใจสมมุติมันเป็นงั้นจริงๆถามว่อาอก็เหมือนว่าเอาเอาจีวรไปห่มให้ชาวบ้านโอ้ผมมันอึดอัด <laughs> มันอึดอัดทันดีเลยใช่ไหมเพราะมันติดเลย แต่สมมุติแต่ไม่ใช่เพื่อต้องการให้เขาไปห่มของเราเนี่ยแต่พูดให้เข้าใจว่าไอ้สมมุตินี่เป็นอย่างนี้เอางี้เวลาเราเราไปคุยกับขอทานไปคุยกับพ่อค้านีไปคุยกับชาวนาไปคุยกับทหารไปคุยกับตำรวจไปคุยกับอายการไปคุยกับผู้วิพากษาไปคุยกับประลัดไปคุยกับรัฐมนตรีไปคุยกับนายกไปคุยกันในหลวง เวลาเราเข้าหาบุคคลเหล่านี้ความรู้สึกมันสูงสู ง, สงต่ำต่ำไหมเพราะอะไรอพอเราไปไม่ฉลาดในสมมติแต่บางคนมึนในสมมุติเหมือนสุนักงงหล ง, ง, ง, งในสมมติไม่รู้เรื่องปฏิบัติไม่ถูกใช่ไหมปฏิบัติก็ไม่ถูกเลยโมหะเยอะจัดเพราะปัญญาไม่ฉลาดก็เลยทําเหมือนกันหมดเลยพ่อมาแม่มาไม่สนใจเลยทิทิกินเลยเด็ ปฏิบัติไม่ถูกเพราะไม่ฉลาดในสมมุติบางคนกลัวเลยนะครับเอางีา้ขึ้นไปบนเวทีแล้วเวลามีคนมากๆตั้งให้ไปพูดอะไรกลัวไหมแปลว่าอะไรเพราะกลัวสมมุติเอาเวลาขึ้นไปปุ๊บไม่มีคนสามารถพูดได้คล่องแคล่วไหมคล่องไหม ทั้งๆมีมดเต็มไปหมดแต่ไม่เกรงใจมดเนาะเออมันก็เป็นสัตว์มีชีวิตเหมือนกันอยู่แถวนั้นใช่ไอมเน้นแ h มเนี่ยแก้ผ้าเดินตรงเนี้ยรู้สึกหวั่นไหวรึไ ห, ไหมถ้าแก้ผ้าในห้องน้ํารู้สึกว่ามันมันไม่มีใครดูเราเลยใช่ไหม ท, ท, ทั้งๆที่มดเอ้ยแมลงสาบเอ้ยจิ้งโจกเอ้ยดูกันตาสอดเต็มไปหมดใช่ไหมเห็นไหมเนี่ยจริงๆแต่ไม่ใช่สอนเพื่อให้เราไปแก้ผ้าเดินนะ แต่ให้รู้ว่าไอ้สมมุติมันมีอิทธิพลมากมีอิทธิพลมากเพราะความเป็นที่ไม่มีปัญญาแทงตลอดสมมุติสัจจะตามความเป็นจริงแล้วก็ปฏิเสธสมมุติมมตเครียดกับสมมติอ่าเครียดกับสมมุติคือ บ, บอกว่ามีคนโทรมาบ้านพังสมมติโอ้โหไฟไหม้บ้านสมมุติไงไฟไหม้บ้านโอ้โหเจ้าแฮม นอนสุดเลยไอ้ที่จริงไอ้สมมุติเนี่ยมันติดจัดไงไฟไหม้บ้านกันนี่อออืืสุดเลยแม่ตายสุดอีกไอ้ทั้งๆผู้หญิงมันตายทั้งเยอะแยะคนมันตายทั้งเยอะแยะไม่สุดนะแต่พอแม่ตายสุดเลยไปไม่เป็นเลยตอนนี่นอนซอมอยู่เลยนี่ที่สมมุติขนาดนั้นเนี่ยเอาแม่ถูกลังวันที่หนึ่งโอ้โหไปไปไม่เป็นเลยเนี่ย วิ่งลงมาจากห้องเลยว่างี้ยวิ่งไปวิ่งมาอยู่นี่แหละวิ่งทำไมบอกแม่ถูกรางวัลที่หนึ่งมันติดเลยสมมุติเออมันทั้งทั้งที่ก็นี่แหละเห็นไหมไม่แทงตลอดสมมุติดสจักตามความเป็นจริงก็คือไม่ฉลาดกับมันทําไมเราต้องเรียนรู้เรื่องปัญญาเพราะเราจะได้ปฏิบัติต่อสมมุติได้ถูกแล้วก็ไม่หลงในสมมุติเพราะเพราะว่าชีวิตที่ผ่านมาจริงๆเนี่ย มันมีอิทธิพลกับเรามากเลยนะสมมุตินะมีไห ม, มเอานี้ไปสอบพ่อบอกว่าสอบได้เขาสึกเป็นยังไงสมมุตินะสอบตกนี่ทั้งทั้งที่มันความรู้มันไม่ได้เพิ่มขึ้นหรือลดลงเลยนะมันไม่ได้เกี่ยวเลยนะแต่พอเขามาตั้งขึ้นมาให้เป็นนู้นเป็นนี้ขึ้นมาจะบ้าตายกันอยู่เนี้ยนี่คือสมมุติ อย่างพวกเรามาบวชเนี่ยก็เรียกสมมุติสงสมมุติมีไว้เพื่ออะไรมีไว้เพื่อเป็นได้มีส ม, มณาสัญญาจำหมายว่าเราจะเริ่มฝึกตนเองจากสมมุติสงให้เป็นอริยสงให้จงได้แต่พอยึดกรบมันเรายุ่งเลยเดินเดินป่ามามีเด็กคนนึงตบหัวผูว้เขยดกินนึงโอ้โหคนหนึ่งมาไหว้โอ้โหดีใจ ไอเขาไว้านดีใจแต่บอกเขาตอบหูเขาหูเสียใจเลยเห็นไหมนี่ชีวิตของพวกเราต้องฉลาดให้สมมุตินี่เาเรียกว่าไม่แทงตลอดสมมุติสัจจะแต่ถ้าปัญญาเกิดขึ้นเป็นยังไงมองทะลุทะลวงหมดอ่าผมเล่าความรู้สึกผมผมเป็นเด็กเด็กเขาให้ผมไปร้องเพลงคนเยอะแยะไอะผมก็มาคิดเนะย ตอนนั้นผมไม่รู้จากสมมุติหรอกแต่ผมว่าเอ๊ะทำไมคนบางคนพอไปแล้วมันมันมันมันมือสั่นผมก็มานั่งงงมันสั่นทำไมวะคือมีอยู่ครั้งหนึ่งเันคนผู้หลักผู้ใหญ่ไปที่บ้านใช่ไหมเป็นเจ้าใหญ่ในโตเนี่ยสมัยก่อนทหารไปที่บ้านไปแล้วก็มีเท่าแก่ไปที่บ้านเนี่ยอากาศมันก็หนาวเว้ยเขาก็นอนไงอ้ยางก็เป็นเด็กๆเนี่ยก็นอนกับเขาด้วย นี่ปวดปัสสาวะลุกลุกขึ้นมาเดินงงงงเด็กเดินเหยียบหัวไอ้เจ้าเนี้ยเข้าไปแล้วเดินเอ๊มันไฟสลัสวสลัวนี่ก็ไปถอดหมวกดูเอา้าไอ้นี้เลยที่คนเขากลัวกันเนี่ยแล้วเหยียบหัวมันจะและ้วเว้ยก็นั่งคิดแต่นี้อ๋อนั่งมองอยู่เนี่ะไอเด็กคนนั้นนะะมองเขากลัวอะไรเนี่ยเขาเกรงอะไรเนี่ย มันก็เป็นคนมันก็เหมือ น, นกับเรานี่แหละมันต่างกันตรงไหนวะทำไมเขาเกรงพูดอะไรคนวิ่งวิ่งวิ่งกันหมดเลยวะเอ๊ะเราก็ตีนเหยียบหัวก็ไม่เห็นเป็นอะไร <c oughs> นึก ง, ง, ง้นมันมันเลยรู้สึกว่าเออตั้งแต่นั้นมาไอเด็กคนเนี้หมายถึงฉั้นเองก็ได้ก็คิดว่ามนุษย์ไม่ต่างกัน <c oughs> ไม่เห็นต่างกันเลย เ, เอางี้พูดรู้จนขนาดนี้แล้วสามารถขึ้นไปทำความดีต่อหน้าคนเยอะๆยังหวั่นไหวไปพูดถึงที่ดีๆไปกระทำสิ่งที่ดีๆต่อหน้าคนเยอะเช่นว่าจะไปกล่าวคำสอนของพระเจ้าให้กับคนยังหวั่นไหวไหมหวั่นไหวไหม นวนไหวอะไรผมชอบใจใครในอุคขาเศรษฐีอ่ะเขามีคุณสมบัติอยู่ข้อหนึ่งใช่ั้ยที่ว่าเออมีตั้งหลายข้อมีแปดข้อเนยเท่าที่จำจาได้ก็คือว่ามีข้อแรกก็คือว่าที่เป็นคนมีปัญญานะเดินอยู่ในอุทยานตนเองท่านมีภรรยาสี่คนเนะเดินเดินในอุทยานตนเองปุ๊บ พอเห็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเสด็จบิณฑบาตมาพอเห็นปั๊มปลาโมดปีติเกิดฮุ๊ดมาเผาแอลกอฮอล์เกลี้ยงเลยนี่เป็นความมหัศจรรย์ข้อแรกของท่านนะีเห็นว่าตื่นเต้นดันดีเลยและในขณะเดียวกันท่านก็เข้าไปแล้วก็ไปฟังธรรมพอฟังธรรมจากพพุทธเจ้าปุ๊บได้บรรลุเป็นพระโสดาบันพอได้บรรลุเป็นพระโสดาบันสมาทานเลยครับ สมาทานเลยว่าจากไม่เกี่ยวข้องกับภรรยาตลอดชีวิตทั้ทงๆเป็นแก่พระโสดาบันนะครับใจน้อมออกจากการมาคุณจริงๆเลยเนี่ย น, น, น, น, น, นี่นี่ข้อที่สองแล้วพอกลับมาพอกลับมาเนะบอกภรรยาอยากจะอยู่หรือจะไปอยู่กับหรือจะกลับไปบ้านหรือต้องการอยากจะมีสามีมีภรรยาคนหนึ่งบอกอยากได้สามีใหม่บอกไปเอามาแล้วยกให้โดยจิตใจ โปร่งโลงเบาวพร้อมได้มอบทรัพย์ให้ส่วนหนึ่งด้วยนี่เป็นความอัศจรรย์มากนะเป็นแค่พระโสะดาบันนะอย่าลืมนะอีกข้อหนึ่งเดี๋ยวท่านบอกว่าเวลาท่านไปหาพระไปหาพระเนี่ยท่านจะนอบชอบฟังธรรมศรัทธาในการฟังธรรมไม่อิ่มไม่เบื่อเลยว่างั้นเดี๋แต่ในขณะเดียวกันถ้าไปหาพระแล้วพระไม่แสดงธรรมท่านก็จะแสดงธรรมให้พระฟังโดยไม่เบื่อไม่หน่ายเหมือนกัน ถ้าถึงเวลาพูดก็พูดแบบเครารพพุทธเจ้าตึ๊ด ๆ, ๆ, ๆ, ๆเลยครับน้อมนี่แต่เวลาจะฟังก็ฟังด้วยความนอบน้อมเหมือนกันระหว่างฟังกับพูดเหมือนกันเลยครับนี่ไงปัญญาเป็นความมหาสั ร, รย์แบบนี้ไม่เคยไปติดสมมติเลยครับเข้าใจเข้าใจความจริงแต่ถึงเวลา ปฏิบัติต่อสมมติเป็นผู้ฟังก็ฟังตั้งแต่เบื้องต้นทำกางที่สุดเนี่ยโดยไม่มีง่วงไม่มีอะไรมาแทรกเลยครับฟังตลอดเลยแต่ถ้าพระท่านไม่แสดงธรรมโยมก็จะขอโอกาสแสดงธรรมให้พระฟังสุดยอดไปแล้วนี่โอเคเศรษฐีครับเป็นคนสมบัติที่หายากมากผมฟังผมไม่ชอบมากเลยอุบาสกท่านเนี้ย เออเป็นแค่พระโสดาบันแต่อาจฐานสมัรเอาคุณธรรมของพระนาคามาปฏิบัติเลยอย่างเราเนี่ยเป็นปุรุชนสามารถเอาคุณธรรมของพระโสดาบันมาปฏิบัติได้ไหมได้กล้าไหมเหล่าได้จะทําให้เหมือนท่านได้เลยครับเขาเรียกว่าทำที่เป็นเหตุให้เป็นพระโสดาบันเนี่ยโสตาปียังฆ่าถามสามารถทําได้เลยครับฝึกก็ได้ด้วยทั้งทั้งที่ยังไม่ถึงคุณธรรมเหล่านั้นมันอยู่ที่กล้าหารอาหารที่จะดึงคุณธรรมท่าน ใช่หมศัทธาศีล ส, สุตตจกาชาปัญญาห้าข้อนีอ้คือฝึกจนเข้าใจอย่างทองแท้เอามาปฏิบัติได้จริงๆเพราะมันอยู่ที่ความกล้าครับอย่างเงี้ยตรงนี้มันเห็นชัดว่าทาั้งทั้งที่ท่านเป็นพระโสดาบันแต่ท่านปฏิบัติเสมอเหมือนเป็นพานาคาท่านถือพรหมจรรย์เลยครับโอ้โหไม่ใช่ง่ายนะทั้งๆั้งที่ยังพระโสดาบันยังมีคู่ครองมีลูกมีอะไรเนแต่ท่านทันทีเลย ท, ทั้งทั้งที่เป็นคารวะอย่างนี้เป็นต้นไหม ทั้งทั้งกิเลสประเภทนี้ยังไม่หลุดแต่ว่าสมาทานทันทีเลยโอ้โหเนี่ยเป็นทาได้ครับอ่ตัวนี้จะไม่เจาะลงลึกนี่คือสมมุติสัจจะต้องการยกให้เราเห็นว่าปัญญาที่ทั้งตลอดสมมุติสัจจะแล้วปฏิบัติต่อสมมุติได้ดีไอ้ตรงเนี้ยสาคัญที่สุดซึ่งโดยมากเราจะพลาดเขาสมมติให้เราเป็นสมณเเป็นพระสมมติให้ทาหน้าที่นู้นหน้าที่เนี้ย โดยมากเราจะไม่ค่อยรอบรู้ในนั้นก็จะเครียดกําหนัดบ้างขัดเคืองบ้างกําหนัดบ้างขัดเคืองบ้า ง, ng, างกับการทําหน้าที่ในนั้นแปลว่ า, าไม่มีปัญญาแทงตลอดสมมุติสัจจานั้นๆในเรื่องนั้นๆในกรณีนั้ น, น, นไอตรงเนี้สมมุติว่าเอาเอาท่านวานมีหน้าที่ไปกวาดบางทีก็ชอบใจบ้างไม่ชอบใจบางเพราะไม่ฉลาดในสมมุติเขาทําหน้าที่ให้แจกทีวอนแจกพัด ทำหน้าที่ในการที่จะจัดเสนาสนะทําหน้าที่ในการที่จะรับประเคียนอะไรก็แล้วแต่อสมมุติที่เขาตั้งให้เนี่ยมันจะมีวูบวูวาวา่วาวาูบวูบว่ในความรู้สึกด้วย <laughs> เพราะ <laughs> เพราะเราไม่ไม่มีปัญญาตัวเนี้อิยะถาภูตะปฏิเวทารักขะแทงตลอดลักษณะสมมุติสัจจะและป ร, ะประมัตถสัจจะตามความเป็นจริง ท, ท, ทีนี้ มันยังมีเมื่อสักครู่ที่พูดถึงในเรื่องของการว่าแทงตลอดสภาวะลักษณะและสามัญรักษณะด้วยมีบาลีจะคำว่าอัคคลิตตปฏิเวทรารคณาว่าเป็นต้นก็หมายความว่าแทงตลอดไอลักษณะคำว่าสภาวะลักษณะหรือปัจจัตลักษณะนี่อันเดียวกันลักษณะเฉพาะตัวของสภาวะธรรมเช่น ลักษณะของปัทวีธาตุลักษณะของอาโปธาตุลักษณะของเตโชธาตุวาโยธาตุเป็นต้นเนี่ยลักษณะของรูปารมสัทธารมกันดารมรัศสารลมโปรดับอารมลักษณะจากกูปัสสัทธะตัสสะสัทธันนัตสาทธชิวขาเป็นคือคือสภาวธรรมที่เป็นรูปธรรมทั้งหมดเนี่ยมีลักษณะเฉพาะตัวก็อยู่เช่นดินมีลักษณะแข็งและอ่อนไฟลักษณะเย็นเลยร้อนอาโปลักษณะที่ไหลและเกาะกลุม เตโชมีลักษณะที่อวาโยมีลักษณะที่พยุงและผักดันก็คือไปแทงตลอดลักษณะเฉพาะตัวเขาได้หรือเวทผัสสะมีลักษณะกระทบอารมณ์เวทนาลักษณะสวยลดของอารมณ์สัญญาลักษณะที่จําอารมณ์เนี่ยเจตนาลักษณะธรรมชาติที่กระตุ้นเตือนชักนําสวิทธธรรมเนี่ยโลภะธรรมชาติที่อยากได้และติดใจในการคุณโทรศัพท์ชาติที่มีความโกรธเนี่ยปฏิสายอารมณ์เนี่ย โมหะธรรมชาติที่มืดบอดหรือหลงเนี่ยเนี่ยคือไปเห็นลักษณะเฉพาะตัวของสภาวะธรรมทุกตัวเลยครับไอปัญญาที่เขาไปเห็นอย่างนี้เขาเลยปฏิเวทะแทงตลอดลักษณะเฉพาะตัวลักษณะเฉพาะตัวทีนี้มันก็นี่ปรมาธรรมนะครับไปรู้ปรมาธรรมจริงๆเลยทีนี้มันมันแยกยังไงพอไปรู้ว่าเช่นเวลารู้สึกว่าชอบใจรู้สึกสุขขึ้นมาสุขใจขึ้นมาเนี่ย จะจะรู้เลยว่าอ๋อที่สุขในที่เนี้ยมันลักษณะของเวทนาทำกิจไม่ใช่เราเนี่ยเวลาจําได้หมายรู้อ๋อลักษณะสัญญาทำกิจไม่ใช่เราเวลักษณะว่าอยากได้และติดใจในการมากุลอ๋อลักษณะของโลภะโลภะทำกิจหรือม่บางทีปัทสรังอยากจะอยากจะจัดการเมื่อกี้อ๋อไม่ใช่เราแท้จริงคือลักษณะของโทสะทำกิจ ทำให้นามมรทำนั้นทํากิจแล้วก็ผักออกมาเป็นรูปธรรมให้มีสีหน้าเวลตาลพฤติกรรมรต่างๆออกมาเนี้ยมันไปแทงตลอดหรือไปเข้าใจลักษณะเฉพาะตัวของรูปธรรมและนามมาธรรมหรือปรมตัตถธรรมอย่างนี้ปัญญาจะเป็นลักษณะแบบนี้พอฟังอย่างนี้ปุ๊บก็ไปไข้ควรไปไข้ควรก็จะรู้ลักษณะเฉพาะตัวจากการท่องจําและเรียนฟังมาเนีเยแหละก็ไปวิจัยต่อวิจัยต่อก็เข้าใจทันทีเลยที น, นี้ แล้วเราก็จะรู้จักตนเองขึ้นมาว่าคืออ๋อเข้าใจเลยไอตัวภัสสะเป็นอย่างนี้เวทนาสัญญาเจตนาเอกระคตาชีวิติจริงมรดกการวิโตวิจารณ์ทิโมวิริยะชัดบีติจันท์ได้ไมอาจารย์ต้งบอกว่าเออพวกคุณไปท่องกันนะพอท่องท่องแลท่องลักษณะไว้ลักษณะไว้เดี๋ยวไปดูการทํากิจเดี๋ดูอาการปรากฏเดี๋ดูเหตุกล้์ของเขาถ้ารู้พวกนี้เบียดเสร็จไปต่อไปท่านจะเข้าใจธรรมะลักษณะเฉพาะตัวของเขากิจเฉพาะตัวของเขาอาการปรากฏ แล้วก็จะไปเริ่มแยกแยะได้เวลาอธิบายเรื่องเมตตากับกรุณาต่างกันยังไงชัดเพราะเพราะไปสังเกตลักษณะสัญญาเมตตาการุณามุทิตาเบกขาชัดศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิปัญญาก็ชัดโลภะโทสะโมหะตัณหามนาัิสตินี่ไหมคือกิเลสก็ดีกุศลก็ดีวิจิตก็ดีท่านรู้ลักษณะเฉพาะตัวเขหมดเลยติ้ตรู้หมดเลย การไปรู้ลักษณะเฉพาะตัวจากการจําได้แล้วก็มาใคร่ควรเอาสติดึงข้อมูลนั้นมาให้ปัญญาสอบสวนวิจัยแยกแยะเพราะเมื่อเรียนรู้ชีวิตจริงๆเพราะมันไม่ได้ไปเกิดจากต้นโตมันไม่เกิดที่ภูเขารากามันเกิดในกระแสชีวิตนี้จริงๆเวลาหิวอยากจะกินขึ้นมาเนี่ยมันมีอาการแบบนี้โกรธขึ้นมามีลักษณะแบบนี้หลงขึ้นมามีลักษณะแบบนี้ทิฐิเกิดมีลักษณะนี้มานะมีลักษณะนี้ตัณหามีลักษณะแบบนี้ อหิริกาโนตปะอุตจามีลักษณะลักษณะแบบนี้ก็จะไปเห็นเริ่มแยกแยะได้ศรัทธาสติเรือโอตปะก็เห็นเลยโอ้ลักษณะเป็นแบบนี้เองพอไปเข้าใจลักษณะเฉพาะตัวเฉพาะตัวอะไรเป็นเข้าใจปัญญาพอมานั่งฟังอย่างนี้เริ่มเริ่มจําได้เริ่มเข้าใจจําได้เข้าใจจําได้เข้าใจให้ฟังบ่อยๆๆๆเข้าใจเป็นเนื้อเป็นตัวเลยครับเป็กนันเข้านันเข้าชัดเลยออหนี่หนี้นี่นนทํากิจแล้ทํากิจแล้ว นี่การรู้ลักษณะเฉพาะตัวอย่างนี้เขาเรียกว่าปัจจัตลักษณะหรือสภาวะลักษณะผัสสะกระทบเวทนาสวยรสของลมสัญญาจําเจตนากระตุ้นเตือนลักษณะเฉพาะตัวเป็นอย่างนี้แต่ทั้งหมดตกอยู่ในกฎตรายรักหมดเลยเนะไม่เที่ยงเกิดดับสืบต่อเป็นทุกเบียดเบียนบีนบคันบ้ น, นแล้วก็ไม่ใช่ตัวตวนเกิดจากเหตุปัจจัยทั้งหมดเลยมีเหตุปัจจัยองค์ประกอบองค์รวมที่เกิดขึ้นมาไม่มีแก่นมีแกนเลย มันเป็นสภาว่ธรรมมาประชุมกันดับเกิดดับสืบต่อเกิดดับสืบต่อส่เหตุปัจจัยเป็นอยู่ตลอดอะไรเงี้ยนี้เขาเรียกว่าสามัญยลักษณะอันนี้จังทุกครนะั้งแม่ตาฉะนั้นคนที่เขาบรรลุธรรมเนี่ยเขารู้สองส่วนรู้ทั้งลักษณะเฉพาะตัวและสามัญยลักษณ์เขาเ้าใจไหมว่าบอดเลยนะถ้าประเภทที่ไปนั่งคิดเองเพื่อจะให้บรรลุเนี่ยจบเลยนะคุณออกจากเส้นทางมาในาศาสนาทันทีไม่มีทางเป็นไปไม่ได้ มีสองยมพวกนสัมมาสัพพุทธ h กับปเจกุต tha น, นั่งที่จะคิดเองแล้วบรรลุนอกนั้นคุณต้องฟังจนเข้าใจแล้วไปปฏิบัติถึงจะบรรลุนี่มั น, ม, นมันหลุดตรงนี้ในพระศาสนาของพระเชษฐเจ้าเนี่ยมันหลุดตรงนี้บางทีแต่ก่อนโอ้โหเอาไม่ได้ตายเอาไม่ได้ตายลุยมันเต็มที่เดี๋ยวมันโคลงขึ้นมาเองมันคิดเงี้ยถูกสอนอย่างงี้ครับนั่งนั่งเวน่นขอไปนั่งนั่งนั่งนั่งว ทนไปทําทําทำไปเหมือนที่ท่านยิมม้มว่านั่งจนลิ้สีดวงออกนั่งจนในลึกหมดเนึ่งตัวผอมหมดนี่มันเลยมันไม่รู้เรื่องมันไม่รู้เรื่องมันไม่ใชนั่งแล้วมันรู้โอ้โหถ้า น, นั่งรู้อย่างนั้นพวกพวกไอ้นิครนเนี่ยมัมั น, มนท่านไปเจอนีจปัจจุบันเนี่ครับไปเจอนิครนท่านก็หงายท้องแล้วท่านมีโอกาสไปคุยกับมันนะ โอโหพวกนี้ถึงเวลาวาระสุดท้ายนั่งตายครับนั่งจนงทีเียมันกำมืออยู่เนี่ยให้เล็บทะลุหลังมือเลยเนี่ยมันมันมันมันสุดยอดกว่าเราอีกโอ้โหทั้งนั้นโคตรทรมานตัวเองเลยพวกเนี้ยนั่งมีพระรูปหนึ่งตอนอาจารย์ไปอินเดียยุคก่อนเขาก็าไปที่ฤสีเกตไปท้านั่งกับระานกับฤุสี เป็นนั่งก็โอ้โหอนี่โคตรทนเลยวะงั้นไปท้าคุยคุยกับมันก็นั่งกับมาฐานแข่งกับมันเลนั่งเรื่องหลวงพ่อฤาษีมาไอเจ้านี่เป็นนั่งนั่งนั่งท่านอธิบายธรรมให้ฟังให้ญาติฟังแต่แบบไนั่งคิดสู้ไม่ได้เว้ยแขาก็เอามีกดมีอะไรไปด้วยแข่งกับมันงั้นไม่ไหวว่าคุณนอนดีกว่าก็นอนไอเจ้านี้มันนั่งเฉยอ ย, อยู่งั้นแหละ แกก็นอนค่อยดูมันเลยพอมันน้ำท่าจะขยับขยับลืมตาก็ลูกมันนั่งกินอยากดื่มน้ำก็กินน้ำเลยอยากปัสสาวะก็ปัสสาวะเลยแล้วก็นอนอย่างงี้ไอ้คะผ่านไปแปดชั่วโมงมันยังไม่ขยับเลยวะงี้มันนั่งเฉยงั้เลยวันหนึ่งก็แล้วเฮ้ยยี่สิบสี่ชั่วโมงมันนั่งเฉยอยู่งั้นเลยพอวันที่สองมันก็นั่งต่อมันก็นั่งมันไม่ขยับเลยเว้ย เขาอโอ้โหเราไ ป, ปถ่ายอุจา ร, ระปัสสาวะมาไม่รอดกี่รอบแล้วนั่งคอยสังเกตด้วยพอได้สักสองวันนี่นะมันลืมตาออกมาเขว่าสองวันก็กวักกับสามวันลืมตาเมาือไอ้นี้ก็แก้งนั่งหลับตาโอ้โหไอ้นี้ลุกขึ้นมากาบเลยว่างั้นเลยขอเป็นลูกศิษย์เลยแล้วมันพาพวกคนมาหาเต็มเลยนันหมามันแพ้แพ้พระรูปนี้ได้ด้วยเล่ห์เหลี่ยมนะแท้ๆตอนนี้ไพอก คนแขกเต็มวัดเลยครับตอนที่อาจารย์ไปเนมันศรัทธามันครั้งเดียวแค่นั้นนะนี่ <c oughs> <c oughs> นไอคนที่นั่งได้สองวันสามวันเนี่ยแปลว่าเขาได้สมาธิไหมไม่เหลือเขาได้จริงๆนี่ไงไม่รู้เรื่องไม่ได้ไปรู้ครับยุคนี้ไม่มีพระปัจเจกเพราะมันในการของพุทธเจ้าเขาไม่มาหรอก ถ้ามาก็ต้องมาได้ยินคําสอนแล้วก็จะคิดเองได้ไปรู้ได้ไงเป็นไปไม่ได้เขาไม่มาต้องเส้นการของพระเจ้าแล้วถึงจะมีพราะปเจกใช่ไหมครับหรือเพ่อสัมมาสัมพุทธะฉะนั้นคนนั่งตายจริงๆครับนั่งไว้ก็ตายจริงๆนี่นั้นตรงนี้คือตัวปัญญาที่เขาไปรู้ลักษณะเฉพาะตัวกับสามมัญลักษณะเนี่ยนี่เขาเรียกว่า ทีนี้ลักษณะอย่างสภาวธรรมที่รู้แจ้งตรงต่ออารมณ์ปรมัตถธรรมตามความเป็นจริงดุดนักแม่นธนูยิงตรงเป้าไอ้แทงตลอดเนี่ยเหมือนนักแม่นธนูยิงตรงเป้าเป๊ะเลยคือต้องการจะชี้ อ, อย่างนี้ความจริงแค่ไหนก็รู้ตามความจริงแค่นั้นบางทีเนี่ยปัญญาที่มันที่ไม่ใช่ปัญญาที่มั น, ม น, ม น, ปญญมนเป็นทิฏฐิเป็นความเห็นเนี่ย บางทีมันรู้ขาดมันไม่ถึงความจริงหรือไม่งั้นก็เกินความจริงมันเลยไปเอายกตัว อ, อย่างอย่างเงี้ยสมมตินะว่าความจริงคือยี่สิบห้าองศาเนี่ยแต่เราไปไปเข้าใจว่ายี่สิบเนี่ยมันไม่ถึงหรือไปเข้าใจว่าสามสิบหรือยี่บหกเนี่ยมันเลยอย่างเงี้ยมันไม่ตรงต่อความเป็นจริงนั้นมันไม่พอดีกับความจริงนั้น ปัญญาจริงๆเนี่ยมันตรงเป้ามันเหมือนนักแม่นธนูยิงตรงเป้าคือมันตรงตามความเป็นจริงพอดีกับความเป็นจริงเวลาจะปฏิบัติต่อสมมติสัจจาหรือปรมัตถสัจจาหรือไปรู้สมมติสัจจาหรือปรมัตถสัจจามันก็พอติดพอดีความจริงแค่ไหนมันก็รู้ตามสภาพตามความเป็นจริงพอเหมาะพอดีอย่างนั้นแหละเขั้นจริงแรกมันตรงมันตรงเป้าอย่างพวกเราบางที เลยหรือขาดหรือไม่ถึงมันเรกว่าเลยทงบ้างเนี้ยมันมันจะเป็นลักษณะเนี้บางทีมันก็บางทีก็ไปไม่ถึงบางหยุดอยู่แล้วเลยไปหยุดอยู่แล้วเลยไปอยู่เนี้ยมันไม่พอดีเพรนั้นถา้าตัวปัญญาจริงๆเนี่ยมันตรงปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอดีพอดีต่อสภาวะตามความเป็นจริงเนี่ยนี่เป็นอย่างนี้ วิเศษวิ ส, ยวสโยภาสนรารสาหวาธรรมนานังปฏิฉาธกะโมหันทการะวิทังสนรารสามีการทําอารมณ์ให้แกมแจ้งเป็นกิจคําว่าทําอารมณ์ให้แจ่มแจ้งเป็นกิใ จ, จนกในที่นี้ก็คือสภาวะธรรมที่ส่งความจริงของอารมณ์ประมาทธรรมให้สว่างเจิดจ้าดุจอะไร ดดดวงประทีปให้แสงสว่างเหมือนล้วจุดประทีปในที่มืดไอตัวความหมายนี้แปลว่าอะไรทาอารมณ์นั้นให้แจ่มแจ้งเป็นกิจหรือมีการกำจัดความมืดคือกำจัดอวิชชาที่มันปกปิดสภาวธรรมหรือปกปิดสภาวลักษณะและสามัญลักษณะหรือปกปิดทั้งสมมติสั จ, จและปรมัตสัจเนี่ยไอตัวโมหะที่มันปกปิดที่มันมืดอยู่เนี้ย พอปัญญามันทำกิจปุ๊บมันสว่างฟืดขึ้นมามเห็นเห็นหมดเลยเนี่ยเหมือนจุดประทีปในห้องมืดไม่ปกติถ้า ม, มืดมองไม่เห็นอะไรเลยพอประทีปคือแสงสว่างฟืบขึ้นมาปุ๊บเห็นมันแสงสว่างมันจ้าขึ้นมามันมันโล่งหมดเลยนี่เหมือนกันเวลาปัญญาเกิดขึ้นเนี่ยปกติว่าพ่อบอกว่าสมมติติดสัจจะมันงงงง มันก็ไปยึดติดไปเข้าใจผิดไปบิผิดไปรู้ผิดหรือปรมัตสัง จ, จาก็รู้ผิดเช่นภัทธเวทนาอธิบายกันมั่วเลยหรือไปเข้าใจมั่วเลยเมตตากรุณาต่างกันยังไงลักษณะต่างกันยังไงมั่วหมดเนะแต่ไม่มีปัญญาเมตตากรุณามุทิตาวเบิกขาเนี่ย ภาษาเวทนาสัญญาเจตนาหรือศัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาธรรมวิริยะสัมปช ong รูปขันธ์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจักขายตนะเป็นต้นนี้ม่วเพราะไม่มีตัวแสงสว่างหรือปัญญาไปทํากิจที่จะแยกแยะคือโดยหลักการเนี่ยถามว่าตัวสภาวธรรมเนี่ยนะเช่นตัวเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือกลุ่มนามธรรมหรือตุ๊บเวลากุศลจิตเกิดอากุศลจิตเกิดมันนามธรรมเกิดขึ้นเนย โดยจริงๆแเราไปแง่แยกออกไม่ได้หรอกครับมันเป็นสภาวะธรรมที่เกิดร่วมกันดับพร้อมกันมีอารมณ์อย่างเดียวกันที่อาศัยเกิดอย่างเดียวกันแต่ด้วยปัญญาญาณของพระพุทธเจ้าปัญญาญาณของสาวกพุทธเจ้า ท, ที่ได้ฟังธรรมยุพุทธเจ้าแล้วเลยไปเห็นความต่างพี่เห็นลักษณะที่ต่างเห็นกิจที่ต่างเห็นาการปรากฏที่ต่างเห็นเหตุใกล้ที่ต่างข้อความไปเห็นต่างกันอย่างนี้ก็เลยมองแงม่มุมทงสภาวัฒนธรรมที่มีความต่างกันจึงแยกแยะได้ ถ้าแยกแยะตรงนี้ไม่ได้มันจะเป็นสมูหะมันจะรวมกันอยู่แล้วก็มันไม่สามารถไปกระจายความเป็นกลุ่มเป็นกองมันได้แต่เพราะปัญญานี่ยแหละจริงๆมันไม่ได้กระจายกันนะครับแต่ปัญญาไปแยกเขียนจนกระจายกันแล้วก็มันทํากิจเนี่ยมันทําคนละกิจกันแต่ว่ามันเกิดร่วมกันแล้วมันเชื่อมประสานกันก็ไปเห็นการทํากิจของเขาแล้วมันเชื่อมประสานกันยังไงนี่เนี่ยแล้วเวลามันมันรับอารมณ์ ก็รู้ว่าการรับอารมณ์ของเข า, ารับยังไงใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นนั้นปัญญาที่เขาไปเห็นจากการฟังพอฟังแล้วก็ไปใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาที่ตั้งมั่นเป็นฐานปฏิบัติการของปัญญาสติดึงข้อมูลมาดึงสภาวธรรมจับที่สภาวธรรมนั้นให้ปัญญาก็ไปสอบสวนตรวจตาตรงตามที่พระเจ้าบอกก็เลยประจักษ์ขึ้นมาประจักษ์ขึ้นมาประจักษ์ขึ้นมามันเห็นอย่างงี้ ม, มันสว่างขึ้นมาอย่างนี้มันเป็นเหมือนประฏีปเป็นอย่างนี้เขาถึงใช้คําว่าเนี่ยมีการทําอารมณ์ให้แจ่มแจ้งเป็นกิจกําจัดความมืดคืออวิชชาที่มันปกปิดเน่ยเพราะปกติที่มันไม่รู้อะไรปกปิดอวิชชาไม่รู้จะกรูปกระขันเวทนาขนันทัญญาขนันสังขนาขนแลขนันตามความเป็นจริงอวิชามันปิดโมหามันปิดอาสามัมโมหปะปัจจุปถานา ม, มีความไม่หลงแนลมเป็นอาการปรากฏ หรือมันมีสองสองสองอย่างนะอตัวตัวตัวผลอุปปฏานนาการละปัจจุปัฏานนะสภาพธรรมที่ไม่หลงต่ออารมณ์ไม่หลงต่ออารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเนาะไม่หลงปรากฏเขาเรียกว่าปัญญาที่เข้าไปรู้นะไปรู้ความจริงของปัญญาว่าเวลาปัญญามันมีอาการของมันแบบนี้มัน อาการของมันคือการไม่หลงไม่หลงต่อไม่หลงในสภาวธรรมที่ทั้งประมัต์และบัญญัติมันมีอาการที่ไม่หลงเพราะมันสว่างเพาะส่องแสงสว่างขึ้นมาปุ๊บเหมือนเหมือนในในห้องเนี่ยพอจุดประทีบขึ้นปุ๊บสว่างพอห้องนั้นสว่างปุ๊บมันก็แยกได้มันก็เห็นอะไรได้หมดแล้วมันไ ม, ไม่ไม่เหมือนไม่หลงใช่อาการเหล่านี้ปรากฏถ้าผลปรากฏก็คือสภาวธรรมที่ทาให้ผลคือ อาการปราศจากความหลงเกิดขึ้นซึ่งตรงกันข้ามกับความหลงเหมือนอะไรเหมือนมรคุเทศมรคุเทศนำทางหรือเหมือนในพานที่คนหลงป่าไหมคนหลงป่าพอไปเจอไอ้มรคุเทศเจอคนนำทางขึ้นมาปุ๊บข้าพาเดินออกได้เลยไอตัวปัญญาผลปรากฏมันจะเป็นแบบนี้ผลของปัญญาจะเป็นแบบนี้ ปกติมันไม่รู้จะคิดยังไงไม่รู้จะปฏิบัติยังไงไม่รู้จะมองยังไงไม่รู้จะแยกแยะยังไงพอปัญญามาปุ๊บสว่างปุ๊บรู้ทันทีโอทําอย่างนี้ ว, วิจัยอย่กแยะมันมันโล่งแล้วมันทําถูกทันทีเลยนี่ผลปรากฏมันเป็นแบบนี้ส่วนเห็นไหมมันจะมีสองส่วนนะอุปัฏฐานกาละปัจปปจุปฐานน ะ, ะกลับไปกับไปผลปัจจุปฐานนะปัจจุปฐานนะอุปัฏฐานะกาลปัจจุปฐานะคือสภาวะธรรมที่ไปหลงตา้ลมได้ลมหนึ่ง ก็คือปัญญาเข้าไปเห็นบัณฑิตทั้งหลายก็ไปเห็นอาการเวลาปัญญาเกิดขึ้นมามันจะไม่หลงในลมจะเป็นรูปารมณ์เป็นสัทธารมเป็นคันธารมเป็นราสารมเป็นโผฏฐาลมมันไม่หลงแต่ถ้าหากโมหะสิมันเห็นรูปารมณ์ว่าเป็นบ้านเนี่ยใช่ไหมโอบ้านบ้านเถียงเรียบตายมันบอกว่าบ้านเลยเนะสัทธารมมันบอกว่าเสียง ภรรยาเสียงแม่เสียงคนนั้นเนี่ยมันมันไปยึดติดตรงนั้นเลยนะในกลิ่นไปหลงในกลิ่นในรสในผลิตภัณหลงปุ๊บไปติดมันไปชอบใจหรือไม่ชอบใจมันหลงแต่ถ้าปัญญาเกิดขึ้นมันจะไม่หลงในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอาการของมันจะเป็นแบบนั้นอาการของปัญญาจะเป็นอย่างนี้นจะไม่มีไปยึดติดไปชอบใจหรือไม่ชอบใจหรืองงๆกับรูปอารมณ์ศัทธาอารมณ์การดำล ม, ล ม, ลมไม่หลง จะไม่หลงในลมใดลมหนึ่งแต่ถ้าสังเกต ด, ดูนะโอ้เ ม, มื่อไหรเมื่อไหรก็อร่อยมากทุเรียนเนี่ยนี่ก็หลงแม้จะชอบมันถึงหลงแต่ถ้าปัญญาเกิดขึ้นมันแยกแยะองค์ประกอบเลยที่ที่ที่ทีา ด, ดินท่าน้ำทา่ทานใบท่านลมสีกิน่นรสโอชาเนาะถามว่าไอตัววิตามินต่างกันตรงไหนวิตามินในในทุเรียนวิตามินในขนุนวิตามินในน้อยหนาววิตามินในมะคุดมงคุดมังคุด วิตามินในมะม่วงวิตามินในตันถามมันเป็นวิตามินอะไรแยกแยะองค์ประกอบตรงนี้มาเลยไม่ได้ไปติดที่รสแล้วไม่ติดที่กลิ่นแล้วไม่ได้ติดที่สีแล้วเอาละร่างกายมันขาดวิตามินตัวไหนก็ใส่วิตามินตัวนั้นมันจะไปเข้าใจองค์ประกอบโดยนั้นทันทีเลยครับมันเป็นอย่างนั้นไหมท่านเวลากินอาหารใส่ใจที่ตัววิตามินหรือใส่ใจที่ที่สีเอากินอาหารเน้นไปที่สีหรือเอาเสียงที่กินกรุบกรุบ เรื่อยๆาเอากลิ่นกลิ่นหรือเอารถหรือสัมผัสรู้สึกนุ่มๆดีเคี้ยวหรือว่าขับเน้นไปที่วิตามินที่มันจะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายแค่ไหนอย่างไรท่านขับเน้นตัวไหนจริงๆอะไรในความเป็นหญิงท่านเห็นไหมเพราะว่าจริงๆตัวเนี้ยโมหะมันเกิดมันก็เลยได้ชอบใจไม่ชอบใจแต่ถ้าปัญญาเกิด มันจะสีสีเสียงกินเล้เอากาแฟชอบใช่ไหมอ่ถ้าถ้าข้างนอกสี่สิบองศาให้ไปนั่งกินสี่สิบองศานั่งตากแดดกินความอร่อยหมดไหมหมดได้ไหมเออกินเนี่ยน้ำอัดลมชื่นใจหน่อยรอกลางแดดแปะสี่สิบองศาแล้วก็ไม่เย็นเลยว่างั้นไม่เย็นด้วยเพราะนั้นท่านติดสัมผสัสนี่ยเย็นเนี่ย ใช่หมให้ผดทะพัฒนตัณหานชอบเย็นไงบางคนผดทะพัตัณหาชอบร้อนใช่ไหมบางคนไม่เอาเย็นเอาร้อนอย่างเดียวเอากลิ่นด้วยนะเฮยขอกลิ่นหน่อยว่ากลิ่นบางทีไม่ใช่กลิ่นอย่างเดียวแล้วขอขอขออะไรรสชาติรสชาติใช่ไหมเอาหวานด้วยหวานด้วยเงี้ยบางทีต้องขมไปแลมนิดนิดนิดอะไรเงี้ยไม่เคยขับเน้นในตัววิตามินอะไรมันจริงๆริงนะบางทีโมหะชัด วิตกนะไปลงนะมันวิตกนะวิตกนะไม่ใช่ปัญญาไม่เป็นนะอเมันมันมันจะมันจะแยกแยกเขี่ยยังไงว่าเออเนี่ยเราคิดโดยใช้ปัญญาถึงไม่ได้คิดว่าอ๋อคือย่างนี้เก็อย่างนี้ในการศึกษามันเหมือนอย่างนี้ที่บอกปัญญาเหมือนกับไปประทีปจุดประทีปในที่มืดห้องสี่เหลี่ยมเรานั่งในห้องเราเข้าไปเปิดประตูปุ๊บเราไม่เห็นอะไรเลยไม่มีไฟ มันมืดจริงไหมแต่พอปฏิฟื้นขึ้นมาแล้วเป็นไงท่านต้องกังวลไหมว่าจะเดินยังไงไม่กังวลมันเห็นหมดว่าจะเหยียบตรงไหนตรงไหนเป็นตอเป็นหนามเป็ตนตะปูจะเดินยังไงมีอะไรบ้างมันเห็นหมดไหมจะปฏิบัติต่อในห้องนั้นอย่างไงมันต้องไปเอ๊ยอย่างนั้นอย่างนี้ไหมต้องไหมนีปัญญามันเกิดขึ้นแบบนี้ไอ้ที่ไปคี่ตึกตองเล่งต่างเพื่อจะให้เข้าถึงปัญญาก็ว่ากันอีกที ว่าก็ดีที่มันก็ละเรื่องอันนี้พูดถึงปัญญาที่ประจักษ์ออกมามันออกมาอย่างนี้ครับมันสว่างเลยครับมันเห็นเลยแล้วปฏิบัติต่อสิ่งนั้นได้ถูกด้วยแล้วมันก็พอดีด้วยพอดีต่อการที่จะปฏิบัติว่าในห้องนี้มันมีอะไรแล้วจะปัดกวาดเช็ดถูอย่างไงจะวางของตรงไหนมันพอดีเพราะมันสว่างแต่ถ้าไฟวุ๊บท่านต้องคิดเลยคิดจริงๆเนี่ยไม่รู้ กูจะทำยังไงวาถ้าทำตรงนั like ้นมันจะถูกหรือเปล่าวะตรงนี้มันมีอะไรมันไม่เห็นเลยอย่างที่ท่านว่าพูดเมื่อกี้ไอ้ตรงนั้นมืดแต่ท่านสว่างปุ๊บขึ้นมาโงปฏิบัติพอดีพอเหมาะเลยครับปัญญาณเป็นแบบนี้ครับก็มันก็ได้ระดับหนึ่งคืออย่างนี้ถ้ากำหนดประโยชน์เนี่ย เขาเรียกว่ามันได้แค่ศาสรกาศสัมประชัญญะใช่ไหมมันเป็นประโยชน์นะยกตัวอย่างเช่นไอ้ตัวน้าอัดลมเนะี่ยมันเป็นประโยชน์นะเออมันมีน้ำตาลแต่มันส ป, ปายะกับคุณไหมและส ป, ปายะแค่ไหนแล้วทีนี้เอาเป็นประโยชน์ด้วยส ป, ปายะด้วยสมมุตินะแล้วก็เวลาเราเอานี้นั่นเข้าไปแล้วมันทำให้ร่างกายของเรามันแข็งแรงได้ติดต่อและต่อเนื่องไหม แล้วเข้าไปรู้องค์ประกอบมันจริงๆริงไมันประกอบไปด้วยสารโปรโตีนวิตามินทั้งหลายเนี่ยเกลือแร่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมันมันเป็นมันแค่ไหนอย่างไรอันนั้นแค่ประโยชน์งั้นจริงๆแล้วเนี่ยในพระศาสนาท่าถึงกำหนดประโยชน์สปายาแล้วก็สามารถจะเดินถ้าเกี่ยวข้องตรงนี้แล้วมันจะเดินกรรมฐ า, านได้ติดต่อและต่อเนื่องเป็นสมาธิแล้วจนสามารถไปวิจัย วิจัยทั้งรูปธรรมภายในและภายนอกที่มันจะเป็นปัจจัยต่อกันและกันแล้วเอื้อต่อการที่จะเดินนามธรรมาก็สูงสินสมาธิปัญญานู่นนี่ไปขนาดนั้นหนึ่งมันเป็นขนาดนั้นหนึ่ง อ๋อคืออย่างนี้ก็ต้องบอกนี้ว่าสีสีที่เหมาะสมกับสมณะที่ตามพระวินัยบัญญัติมีอยู่ท่านจริงๆแล้วเนี่ยสมมติสัจจะเนี่ยเราไม่ควรไปติดหรือไปยึดนะี่ถูกต้องแต่ว่าสีไหนที่มันมันจะเป็นปัจจัยสมควรแก่สมณะแล้วจะเป็นเหตุทำให้ ท่านผู้รู้ทั้งหลายตีเตียนหรือพุทธบริษัททั้งหลายเห็นว่าเราละเมิดศิกขาบทที่พระเจ้าบอกไว้ฉะนั้นของใดๆก็แล้วแต่เหมือนกับจีวรเนี่ยทาไมเราไม่ใช้ผ้ า, ผาสบายนของชาวบ้านเนี่ยหรือผ้าห่มของชาวบ้านเละเพราะนั้นเป็นการนุ่งห่มอย่างคืดขลาดเป็นอ บ, บัตทุกกฎอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นตรงเนี้ที่พระเจ้ทาทรงบัญญัตินี่เพื่อให้เห็นความต่างกันระหว่างสมณะเชื้อสายสักยาบุตรกับคืดขลาดผู้ครองเรือน มันไม่ใช่เรื่องติดหรือไม่ติดเป็นการแยกเป็นการแยกว่าท่านเป็นสมณะเชื้อสายสักยะบุตรแล้วเนี่ยของบางอย่างแบบนี้มันไม่คู่ควรที่จะไปใช้มันไม่ใช่เรื่องของการไปยึดติดแต่เป็นเรื่องการปฏิบัติมันเหมาะสมและสมควรแต่สมณะภาวะเห็นไมว่าจริงๆมันมีเหตุผลนี้ปัญญามันเข้าฉลาดตรงนี้ไม่ใช่ทาแบบงงงบางคนเนี่ยโอ้โหใช้จีวรแล้วไม่ซักเนี่ยยึดมั่นหรือมั่นอะไรวะ ใช่ไหมมันไปเบียดเบียนเขาเป็นนั่งร่วมกับหมู่คณะเขาเขาเหม็นเนอะใช่ไหมแล้วจริงจริงไม่ใช่อย่างนั้นไอ้คาว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยแกคาว่าปล่อยปะาละเลยเนี่ยมันคนละเรื่องกันคนที่มีปัญญากับเป็นคนที่ปฏิบัติในระเบียบวินัยที่ได้ดีที่สุดเพราะปัญญาเขาสุ ข, ขุมงดงามมากที่สุดเหมือนภาษาลิบุตรมีปัญญามาก ในบรรดาภาษาวก k ภาษาริบุตรจึงเป็นคนที่ปฏิบัติตามวินัยได้ละเอียดและออมมากแม้พระวินยัยแม้แต่จะออกบินทบาทยังออกที่หลังก็เลยเก็บปัดกวาดเช็ดถูจนเรียบร้อยเสร็จแล้วจึงออกไปบินทบาทที่หลังเพราะมนสิการว่าภารลลิยารัตทิหรือคนภายนอกมาก็จะพากระตํามหนี ว่าสมณะเชื้สายศักยาบุตรอยู่กันยังโลกลุ่งแรงก็เป็นเหตุทําเขาให้เข้าลงอบายทุกขติวิบัติในโลกอย่าเป็นเหตุให้เขาต้องลงอบายทุกขติวิบัติในโลกเลยก็ท่านฉลาดขนาดนั้นเนะยใช่สมมุติไหมเนี่ยจะไปยึดติดอะไรกับมันแต่ไม่ใช่เวลาอยู่ท่าที่ไหนปฏิบัติที่ดีที่สุดเรียบร้อยที่สุดแล้วก็ละเอียดอ่อนประณีตวิจิตรบรรจงมากที่สุดคํานึงว่าทำฉะไหนหนอ คนที่อยู่ในละแวกนี้เขาจะได้กุศลเขามองมาไปใส่ผ้ากระตูนรูปกระตูนท่านก็ต้องบอกว่ามันมันเหมาะไหม เ, น, เ, ห น, เหนี่ย เ, เ, เป็นเหตุที่เขาตำหนิตําหนิแล้วเขาตกนรกเป็นนักบวชไม่พึงเป็นเหตุทําให้คนอื่นต้องตกนรกต้องรักษากุศลและจิตคนอื่นด้วยอย่างเงี้ยก็ต้องบอกเขาอย่างนี้แล้วก็เป็นไปตามสิกขาบทวินัยถ้าพอมองเห็นไว้แบบนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วก็ โยนิโสเออเดี๋ยวอีกยังยังไม่หมดยังไม่หมดคืออย่างนี้อีกที่หนึ่งก่อนนะมันมามีหลายที่โอ้โหเรื่องปัญญาพูดนะปัญญาเนี่ยที่สามารถรู้แจ้งอริยรรสัจสีก็คือว่าลักษณะของปัญญาที่บอกว่า ไม่มีแสงสว่างใดที่เสมอด้วยปัญญาใช่ไหมวิปัสสนาปัญญาทั้งหลายเหล่านี้คือพรมนาเกษรบอกว่ามหาบาพิษบุรุษคนหนึ่งส่องประทีปไปในบ้านที่มืดสนิทเมื่อส่องประทีปไปก็ทำลายความมืดสนิทไปได้ให้สว่างเกิดขึ้น สิ่งต่างๆให้ชัดเจนชั้นใดปัญญาก็เกิดขึ้นก็ทำกิจอย่างนั้นกําจัดความมืดสนิทคืออวิชชาในประการที่หนึ่ง เ, เวลาปัญญาเกิดขึ้นก็คือกําจัดความมืดสนิทคือคืออวิชชาความมืดบอดสองทำให้แสงสว่างคือวิชาปัญญาเกิดขึ้น 3. ก็คือทาให้แสงสว่างคือญาณะปรากฏเกิดขึ้นประการสี่ทให้อริยสั์ ก็คือทุกขสัจจะปรากฏในยานปัญญาสมุทัยสัจจะปรากฏนิโรธศสัจจะปรากฏแล้วก็มรรคสัจจะปรากฏเนี่ยลักษณะอย่างนี้แหละเกิดขึ้นในใจของผู้ปฏิบัติทันทีหรือของผู้ที่กำลังมนตสิการทันทีเห็นไหมกำจัดความมืดสนิทคือวิชาทำแสงสว่างคือวิชารือปัญญาเกิดขึ้นทาให้แสงสว่างคือยาณะปรากฏแล้วก็ ทำให้อริยสัตว์ปรากฏเกิดขึ้นในใจของผู้กำหนดหรือผู้ปฏิบัตินั่นแหละทันทีในขณะนั้นนี่เป็นลักษณะของปัญญาเป็นอย่างนี้มหาบาพิษว่างั้นนะอันนี้คือคือพระนาเกษนตอบตอบพญายพิริเหตุใกล้ของปัญญาบอกว่าโยนิโสมนสัสการและประธานนาวาเป็นต้นบอกว่ามีโยนิโสมนัิการเป็นเหตุใกล้ ไม่ใช่แค่นั้นปัญญายังมีปัญญาทัศกะวัยเป็นเหตุใกล้ด้วยมีวัยที่สมบูรณ์เป็นเหตุใกล้ถ้าไวยอย่างอาจารย์เนเริ่มแย่แล้วอันนี้แย่แล้วปัญญาเริ่มไปไม่เป็นแล้วอาศัยสั่งสมมาเท่านั้นเองตั้งแต่สมัยอายุยี่สิบสามสิบมาเนี่ยมันก็เลยยังคงเหลืออยู่แต่ถ้าสมมุติจะมาสั่งสมตอนเนี้ยตอนแก่ๆ แ, แบบเนี้ยจบเลยจบเพลยเลยเนี่ยพุกท่านเนี่ย เหลือเวลากันน้อยแล้วท่านวันเนี่ยเหลือน้อยกว่าเขาที่เท่งทีนีไน้ไม่เกินไม่เกินสี่สิบห้าสี่สิบหกก็เจ๊งแล้วตอนนี้ยังมีอยู่ถ้าท่านอีกประมาณสี่ห้าปีท่านหมดแล้วไว้ปัญญาไว้ที่สมบูรณ์หมดแล้วโอกาสปัญญาจะโลดแล่นยากเนี่ยกำลังเนยนะท่านยิ้มท่านไนเนี่ยเนนเนี่ยต้องเรียบทำลายโมหะ วัยนี้เป็นวัยที่มันจะขนขวายมันก็เต็มที่มันไม่เหนื่อยไงขนขวายจะมนานสิการจะฟังธรรมใส่ใจมนานสิการเนี่ยโอ้โหถ้าเป็นอีกวัยหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวโอ้ยโอ้ ย, อ ย, อยเลยตอนนี้ยวัยไม่สมบูรณ์ปัญญามันไม่เกิดไม่ใช่ปัญญาทัศกาวัยถ้าเขาคิดตามปัญญาทัศกะลวัยสี่สิบถึงห้าสิเนี่ยก็คือร้อยปีเป็นอายุขัย่ปัจจุบันเจ็บห้าถ้าเจ็ดิบห้าปีเป็นอายุไขควรจะอยู่ประมาณอายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ ถ้าร้อยปีเป็นอายุไขนะสมัยข้าพเจ้การนะเมือ2000่อสองพันกว่าปีนะสี่สิบถึงห้าสิบปัญญาทศกาัไวแล้วปัจจุบันเจ็ดสิบห้าปีเป็นอายุไขควรเหลือเท่าไหร่สี่สิบนิดนิดได้แค่สี่สิบนิดนิดนท่านยังได้ใกล้จะหมดใกล้จะหมด แล้วมันโลดแล่นจริงๆนะยทำให้นึกถึงตนเองตอนสมัยอยู่งสามาสามบกสาเจรสามแปดโอ้โหแล้วตอนสี่สิบมันก็ยังโลดแล่นอยู่นะตอนนั้นตอนพอหายป่วยกลับมาโหยิ่งมนสิการใหญ่แต่ก่อนปัญญาฟึดฟึดฟึดฟึดเร็วมากครับคิดอะไรก็เร็วไม่มีพลังมากน่าไม่เหน็ดไม่เหนื่อยตอนนี้แย่เลยพอจะคิดถึกหน่อยว่าต้องเป็นนอนเหยียดแข้งเหยียดขา นอนกำหนดกำหนดกำหนดในะตอนนี้อาสติหลุดจะต้องตั้งมั่นกำหนดพอสมาธิดีๆเบเสร็จก็มานั่งหลับตามานาสิการดึงคำมะมาไข่ควรเเดี๋ยวหลุดน่ะเห็นโอ้ต้องดึงอยู่อย่างนี้ตลอดเลยแต่ก่อนไม่เคยเป็นแบบนี้เลยครับแต่ก่อนนี่สูตรหนึ่งเนี่ยสามารถนั่งระลึกได้โดยไม่ต้องไปให้ส่งจิตไปทั้งอื่นเลยครับสูตรหนึ่งดึงมาตืดๆจนจบสูตรเลยอะเดี๋ยวเนี้ย หลุดไปข้างนอกเป็นเรื่องหลายครั้งหลุดหลุดหลุดหลุที่เอา้าไม่จบซะแล้วแต่ก่อนไม่เคยเป็นเลยนะอาการแบบนี้โอ้โหมาเห็นพวกเรายุ่งเลยอย่างเงี้ยงานเนี้ยยกสูตรใดสูตรหนึ่งมาจำได้เป็นสูตรแล้วก็ไข้ควรสวมติไข้ควรในสติปัฏฐานสูตรมันไม่เคยหลุดเลยเดี๋ยวนี้โอ้โหหลุดเป็นยี่สิบครั้งสามสิบครั้งสี่สิบครั้งเอา้า หลุดไปสักแล้วหลุดไปสักแล้วตั้งหลักใหม่หลุดไปยู่อย่างเงี้ยอันนี้บ่งบอกถึงอะไรแก่แล้วขณะเข้าลา้นานะครับต้องนอนพักเนี้ต้องต้องต้อ ง, ต, องต้องให้สมาธหิหรือไม่ก็นั่งเข้าสมาธิสักพักหนึ่งพอมีพลังก็วิจัยต่อกลับมาเข้าสมาธิมีพลังวิจัยต่อโอ้โหตอนนี้แย่ลงนี่ไงพวกท่านเหลือเวลาน้อย ตึกธรรมะเลยโน้นปัญญามีการสองสถึงบอกว่าตัวปัญญาทัศกาไว้เป็นเหตุมีความห่างไกลจากกิเลสเป็นเหตุใกล้แล้วก็มีติเหตุกับปฏิสนธิเป็นเหตุใกล้หรือมีสมาธิเป็นเหตุใกล้มีทั้งหลายอย่างนะเอาเอางี้ถ้าเราดูอย่างว่าในคพัพพีวิสุทธิมรักษ์ใช่ไหมในคัมภีร์วิสุทธิมรักษ์ที่ ท่านพระพุทธโสาจารย์เขียนับวิสิธิมังในเทวตาสังยุตสีเลปฏิถายะนโรสปัญโยจิตตังปัญญจัจากพาวยังอาตาปีนิปโกภิโุโสยิมังวิชัตเเยทะชัตันตินราชนผู้มีปัญญาตั้งมั่นแล้วในศีลอบรมจิตและเจริญวิปัสสนาปัญญาจะพึงถางลบชัด ในกระแสในโลกนี้เสียได้เนี่ยแปลว่าอะไรนรชนผู้มีปัญญาแปลว่าบุคคลใดเกิดมาด้วยปฏิสนธิปัญญาหรือเกิดมาด้วยติเหตุกะปฏิสนธิในขณะปฏิสนธิอย่างลงสู่ครันรั้งแรกถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยปฏิสนธิเนี่ยนามธรรมปฏิสนธิรูปธรรมปฏิสนธิพร้อมกันที่เป็นสาชาตากสาชาตานิสยาที่เกิดพร้อมกั น, ปปนทั้รูปธรรมโดยเฉพาะนามธรรมนั้นมี มหาวิบากยานน้สัมปยศทำหน้าที่ปฏิสนธิมีความไม่โลภไม่โกรธแล้วก็มีปัญญาเกิดขึ้นขณะนั้นนี่คือติเหตุกับปฏิสนธิอโลภะอโทสและปัญญาอะโมห์คนที่เป็นติเหตุกับปฏิสนธิมาคนประเภทนี้ต่อมามาอบมาเจริญศีลมาตั้งมั่นในศีล ตั้งมันในปาฏิโมกข์สังวรศีลอินทรีย์สังวรศีลอาชีวะปริศุทธิศีลปัจจยสันนิติศศีลและอบรมจิตคือปฐมฌานทุติยฌานตัติยฌานเจตุติฌานเป็นต้นแล้วก็เอาสมาธิเป็นฐานจเจริญวิปัสสนาปัญญาจะสามารถถางโรคชัดคือกิเลสในกระแสชีวิตกาจัดกิเลสให้นิพพานได้ใช่ไมล่ะ นี่นี่แปลว่าอะไรเหตุกล้ของปัญญาคือติเหตุกับปฏิสติถ้าคุณไม่สามารถตอนขณะเกิดไม่มีปัญญามาแต่การเกิดไม่สามารถบรรลุในอัตภาพนี้ได้แต่สามารถทำให้เป็นวาสนาภากิยาบรรลุในภพถัดไปได้เหมือนบรรบรรทุไอเหมือนกบอ่ะเหมือนกบอ่ะที่ฟังธรรมพุทธิย้าตอนนั้นกบใช่ไหม กบที่ฟังพ ร, พระสุรเสียงพระิเจ้ากังวานนุ่มแล้วก็ไพเราะแสดงธรรมทึาดทึๆๆเพาะมากนะพระริเจ้าแสดงธรรมกบฟังเลื่อมใสไม่รู้เรื่องหรอกตอนนั้นน่คนเลี้ยงวัวถือไม้เท้าเดินเดินมากดที่หัวกบพอดีเลยตายเลยครับด้วยด้วยกุศลจิตเกิดขึ้นในขณะนั้นมีสุขตินิมิตไปเกิดในเทวภูมิพร้อมด้วยเทพบริวาร ฟุบเฮ่เรามาจากไหนเฮ่มาจากกบเฮ่เราได้อะไรว้างอา้ฟุบกลับไปฟังทำใหม่ได้ได้บรรลุเลยนี่แปลว่าอะไรรู้ไหมเนี่ยไอที่ไปเกิดใหม่เป็นตีเหตุกกาปฏิสนธิแล้วได้อัธยาศัยจะมีอัธยาศัยผวังก็จิตมีพุทธคุณเป็นอารมณ์มิวสุรเสียงวุธยาเป็นอารมณ์ได้ติเหตุกกาปฏิสนธิมันเปลี่ยนภบฉะนั้นถ้าคนเป็นทวิเหตุอโลมพะอโทสะแต่ไม่มีปัญญา ก็บรรลุไม่ได้เหมือนกันเหมือนกบตัวนี้แหละฟังได้ไรได้ศึกษาอะไรได้บวชได้ไรได้หมดเลยแต่เพียรพยายามเต็มที่ได้มันก็ไปจาะคือปรัชญาญันที่ไม่สามารถข้ามโคดได้ชำมว้แล้วสมาธิก็ไม่ได้ได้แค่อุปจาร้อย่างดีสุดได้แค่อุปจาระปฐมฌานทุติยฌานทำไม่ได้เพราะไม่ใช่ติเหตุจำไว้แล้วเนี่ยไม่มีไม่มีเหตุการณ์เปปัญญาไงไม่มีเหตุการณ์เปปัญญาแต่ว่าการทําไม่ใช่ไม่มีผลนะมีผลทุกเม็ดเลยนะครับ การสร้างเหตุปัจจัยมีผลทุกเม็ดเลยทำไปฝืนไปเพียรพยายามเต็มที่มันไม่บรรลุในชาตินี้แต่เราชาติหน้าเราก็ได้ดีได้ดีแน่นอนแต่ไม่ใช่ย่างหัวแล้วกูก็แย่ yeah, แล้วสงสัยกูทวิเหตุเว้ยอย่าไปทำอะไรมันเตอร์วยใหญ่เลยนะพวกนี้สวยเลยใช่ไหมเคยเป็นไหมพูดปฏิบัติไปแล้วท้อเคยไหมเคยไห ม, มก็เหมือนอะไรที่บอกว่า เหมือนใครทีบอกว่าเออทําไมไม่ให้เจ้านี่เรียนทั้งโลกบ้างบางทีมันศึกไปเยอะแยะไอ้เรื่ไปคิดอย่างเงี้ยเ น, นี่คิดกลัวกลัวว่าเดี๋ยวเป็นคารวดไปจะลําบากวะเงี้ยคิดอะไรก็ไม่รู้ลําบากแค่หัวมันเท่าชาติเดียวให้มันทําดีเต็มที่แล้วมาอยู่ในอัตภาพเนี้ยอัตภาพเดียวเป็นห่วงอะไรกันนะกันหนาไม่รู้อาจารย์ก็ไม่เข้าใจเลยเนะ้ยชีวิตเนี่ยเป็นห่วงอะไรกันนะกันหนา เป็นห่วงว่ามันจะบาปเนี่ยตรงนี้ต่างหากอ้นี้สําคัญที่สุดใช่ไหมให้มันปฏิบัติให้ถูกทําให้ถูกช่างหัวมันถ้ามันได้ดีมันทําดีมาทั้งชีวิตเนี่ยแต่มันสึกออกไปช่างหัวมันได้ดีแล้วกุศลนี้ที่ทําไปเนี่ยมันจะเป็นขอทานช่างมันเถอะไม่ต้องไม่ต้องกลัวหรอกกุศลรักษาไอ้ที่มันลําบากกันทุกวันนี้เพราะบาปนี่แหละ มันให้ผลเรายังเดือดร้อนกว่าจะมาเจอในาศาสนาบางทีไปคิดว่าเออไปเรียนรู้ทางโลกให้มีประสบการณ์ผิดทน่ะสัญญาที่เป็นรับรับรั บ, ร, บรับไว้เนะ่ยมันแก้ไขา ย, ยากไหมกามาสัญญาพยาบาทสัญญาวิหิงสาสัญญาที่พวกคุณไปจํากันมาเนี่ยโคตรยากพะเป็นสมาธิหน่อยหวัวนึกการมาคุณจริงไหมล่วเนี่ยขนาดมาขนาดนี้มี แล้วมันมีมันมันประสบการณ์อะไรเอามาทําไมาประสบการณ์แบบนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่เนคขม่าสัญญามันไม่ใช่อัพยาบาทสัญญาไม่ใช่อวิหิงสาสัญญาแต่เป็นการมสัญญาล้วนๆเลยนะครับโลกๆเนะี่ยเป็นพยาบาทสัญญาเป็นหิงสาสัญญาไอ้สัญญาเหล่านี้เป็นเหตุใกล้ของอะไรประปันจะทําตัณหามรรทิฏฐิ อาวัตถนาสมาธิเป็นปัจัยเกิเป็นปัจจัยเกิดกาเมฉันทะเป็นปัจัยกับเอกความพอใจห้าอย่างความพอใจห้าอย่างเออเป็นปัจัยเกิดวิตกวิตกเป็นปัจัยเกิดความพอใจในการสแสวงหาพอใจในกรารรักษาพอใจในการเก็บการการันใ้ความพอใจก็เป็นใจแก่ฤิษยาและตะนีริษยาะนีก็เป็นปัจัยงานขัดแยง้งจบไปไม่เป็นเจ้งให้มันมาเถอะจะบวชต่แต่เล็กเนี่ย ไม่รู้เรื่องเรื่องกามคุณยิ่งดีครับมันอย่าโง่ชจ้าหัวมันอย่าไปฉลาดมันเรื่องกามคุณที่เราฉลาดฉลาดกันมาเนี่ยอย่าไปกังวลว่าจะโอ้ยความรู้เรียนทางโลกเหมือท่านเขาอะาี้ช่างหูมัน mm hmm. ผมตั้งอธิยาศัยเนี่ยจําความได้มันกระเสือกกระสนเข้ามาในศ า, าสนาให้ครบบัณฑิต พอจะชัดไหมแบบนี้เราถามว่าเราเห็นประโยชน์อะไรบ้างที่เราไปเราไปได้ได้กามสัญญาพยาบาทสัญญาวิหิงสาสัญญาแบบโลกโลกมจนถึงทุกวันเนี่ย ม, มันทำให้เรารู้สึกว่ามันมีประสบการณ์ชีวิตขึ้นไหมมีประสบการณ์ชีวิตทำให้รู้สึกโอ้โ oh, ห oh, มันได้เรียนรู้มันไม่ต้องไปมันถามว่า แล้วมีภรรยาแล้วก็เคยมีมาแล้วอะไรก็มีมาแล้วอะไรเออมันทำให้รู้สึกว่าเออเราไม่ต้องไม่ต้องสงสัยอีกต่อไปว่างั้นจริงไหมจริงไหมโหไม่เคยจริงเลยเรื่องนี้การมาคุณเป็นที่ตั้งแห่งวิจิกิจฉาเป็นที่ตั้งโมหะหมดอย่างนี้เป็นต้นอันนี้อันนี้พูดตามสภาวธรรมเลยไม่ได้พูดตามความเห็น ตามสภาวธรรมเลยนะพูดกันแบบแบบเดี๋ยวก็ตายเนี่ยพูดกันแบบเดี๋ยวก็ตายให้เรียนรู้ปัญญาที่บอกว่าเหตุใกล้ของปัญญาคือหนึ่งโยนิโสมรสิการสองปัญญาทัศกาวัยแล้วก็สามเกิ อ, อะไรกันแล้วสามก็คือปฏิสนธิมาด้วยเหตุสามสี่คือสมาธิเนี่ย สมาธิพิกเวบาเวธาสมาโยโวยะถาภูตังประชานาติดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเมื่อภิกษุมีจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้ชัดทุกขสัจจะตามความเป็นจริงรู้ชัดาสมุทัยสัจจะตามความเป็นจริงรู้ชัดนิโรธสัจจะตามความเป็นจริงรู้ชัดมรรคสัจจะตามความเป็นจริงอาศัยจิตที่เป็นสมาธิเป็นฐานปฏิบัติการของปัญญาไม่ใช่ได้สมาธิแล้วปัญญาเกิดเองไม่ใช่คุณต้องปฏิบัติการต่อต้องอาศัยสุตตะคือการฟัง หลังจากได้สมาธิแล้วก็ดำเนินวิจัยแยกแยะรู ป, ปรขันธ์เวทนาสัญญาสังขารนิยามตามความเป็นจริงแต่ถ้าไม่มีสมาธิเป็นฐานแล้วมันวิปัสนาญาณเกิดไม่ได้ดังนั้นคำว่าสมาธิเป็นเหตุใกล้ของวิปัสนาชัดแต่ติเหตุกุุุุุุุุุุุุุิุุุุุ ย, ยเุตุ3เนีุุุ่นเุตุุุุนนุุุุุเุุุุุุุุอุุุุุุุุาุุุุุุุุิุุตุุุุัุุุุุุุุุุลุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ แล้วก็ต้องมาเดินปัญญาก็ต้องเอาสมาธิเป็นเหตุใกล้ของวิปัสสนาปัญญาอีกทีถึงจะแทงตลอดอริยสัจส่วนมีปัญญาส่วนไว้ที่สมบูรณ์เนี่ยมันเหมาะสมเกี่ยการขนขวายเกี่ยการฟังการเรียนการศึกษาให้มันเข้าใจแล้วแล้วได้ข้อมูลแล้วมันจะได้ปฏิบัติได้ถูกแต่ถ้าหากว่าร่างกายอ่อนแอดออนเนี่ยต้องไปดึงลากลองตา ม, มานั่งเรียนตาผมไม่ดีครับ เห็นไหมปวดหลังครับมันเงี้ยมันจะอ้างไปเรื่อยครับอ้างไปเรื่อยเลยครับไม่เอาแล้วนั่นแหลคนมีประสบการณ์ชีวิตนั้นอยากคิดเด็ดขาดแต่ว่าให้ออกไปมีประสบการณ์ชีวิตผมเห็นคนมีประสบการณ์ชีวิตนี่ทางโลกโลกนี่ยพังทุกคนเลยครับพังหมดเลยครับเออพังหมดเลยมันมันติดครับมันติดแล้วก็ พอมาเสร็จแล้วปัญญาไม่ทันแล้วไม่ทันการแล้วแล้วไม่รู้ไปใช้เซนอะไรก็ไม่รู้ไปวิธีคิดตรงนี้น่าเป็นห่วงจริงนะถ้าปัญญามีการส่องแสงสว่างเป็นลักษณะเหมือนบุคคลจุดประทีปให้สว่างในเวลากลางคืนในบ้านที่มีฝาสีด้านความมืดก็หายไปแสงสว่างปรากฏเฉยปัญญาในลักษณะอย่างนั้นอนนี้ชัแล้วนะ ปัญญาเกิดขึ้นแล้วย่อมรู้ทั่วธรรมทั้งหลายทั้งที่เป็นกุศลอกุศลธรรมที่ควรเสพไม่ควรเสเปลวปรานีดำขาวเข้ากันได้ครับ เ, เหมือนแพทย์ผู้ฉลาดย่อมรู้เภสัตชอันเป็นที่สปายะและไม่สปายะสบายหรือไม่สบายแก่ผู้ป่วยชัน น, นั้ังเกตเดินใหตัวเนี้ยเหมือนสติสติก็แยกแยะได้กุศลอกุศลแต่ต่างกันนะต่างกันนะ สติแยกได้นี่เป็นกุศลนี่เป็นอกุศลนี่เป็นธรำดำทำขาวนี่ควรเสพไม่ควรเสพเข้ากันได้เข้าไม่กันได้สติแยกได้นี่สติปัฏฐานสมปทา น, ทานอิทธิบาทอิ ท, อ ท, อทิพลพระโพชฌงค์อริมังแต่สติไม่สามารถไปแยกลักษณะเฉพาะตัวของสภาวธรรมลักษณะภาษาเวทนาคือไปแยกเห็นเห็นที่ไปแทงตลอดสว่างแจ้าไม่ได้ สติมีหน้าที่แยกนี่เป็นกุศลนี่เป็นอกุศลป้องกันไม่อกุศลเกิดให้จิตเป็นกุศลแล้วก็ดึงธรรมะไม่ให้ปัญญาตรวจสอบอีกทีหนึง่งสติมีหน้าที่ดึงดึงปัญญาดึงสภาวธรรมทั้งหลายจับสภาวธรรมทั้งหลายตรึงสภาวธรรมทั้งหลายไว้แล้วก็รวบรวมสภาวธรรมทั้งหลายนั้นเสนอรายงานต่อปัญญาให้ไปวิจัยแยกแยะอีกทีหนึงงน่งเข้าใจไ ั้นการจะเจาะทะลุทรวงแยกแยะละเอียดละออนั้นเป็นกิจของปัญญาไม่ใช่กิจของสติแต่สติเนี่ยมีระลึกตามระลึกในที่นั้นน่ยนึกเนี่ยดึงตึงเนี่ยได้นะปัญญามีการแทงตลอดสภาวะลักษณะเหมือนการแทงไม่ผิดพลาดของลูกศรที่นายขมังขนูผู้ฉลาดเก่งกาจยิงไปอย่างนั้นแหละปัญญามีการส่องให้เห็นอารมณ์เป็นกิจ แลว่าอะไรเหมือนแสงประทีปมีการไม่หลงไหลเป็นอาการปรากฏเปรียบเหมือนผู้ชี้ทางแก่บุคคลที่เดินทางที่หลงทางคือคนเหมือนมัคคุเทศเลยชีย้ทางได้ว่าไปทางนี้แยกนู้นเนี่ยปัญญาจะทากิจอย่างนั้นเลยปัญญาเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็รู้ทั่วถึงธรรมทั้งหลายรู้ทั่วถึงนะทั้งที่ธรรมที่เป็นกุศลอกุศลรู้ รู้รู้ทั้งรู้ทั้งลักษณะเฉพาะตัวรู้ทั้งสามมัญลักษณะเช่นเวลาโลภะเกิดขึ้นเนี่ยปัญญาจะรู้ทันทีลักษณะของโลภะเป็นแบบนี้กิจของโลภะเป็นแบบนี้อาการปรากฏของโลภะแบบนี้เหตุใกล้ของโลภะเป็นอย่างนี้โลภะไม่เที่ยงเพราะปัจจัยที่ทําให้เกิดโลภะก็ไม่เที่ยงโลภะเป็นทุกข์เพราะปัจจัยที่ทําให้เกิดโลภะก็เป็นทุกข์โลภะเป็นอนัตตาเพราะปัจจัยที่เป็นปัจจัยเกิดโลภะก็เป็นอนัตตาโลภะไม่งามเนี่ยนี้เป็นต้นเหล่านี้ ก็ไปเห็นตามความเป็นจริงของสภาวะของโลภะนี้เป็นต้นจะทะลุทะลวงได้นี่คือปัญญาไม่ใช่กิจของสติพอวองเห็นไหมครับมันแยกอย่างนี้เนี่ยย่อมรู้ถึงธรรมสภาวะของปัญญาโดยอัตถะไม่แก่สภาวะที่ทําให้ปรากฏคือทําเนื้อความนั้นให้แจ่มแจ้งทั้งหลายโดยประการต่างๆรู้ว่ามีสภาวะที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ย ปัญญาเป็นกว้างขวางพัฒนาแต่โลกียะปัญญาเป็ถึงโลกุตตระปัญญากรรมสกตาปัญญาเอวยิปัสนาปัญญาฌานะปัญญามรรคปัญญาผลปัญญาปัจเจกปัญญาปัญามีหลายระดับอย่างนี้ทีนี้อย่างยกตัวอย่างเช่นกรรมสกตาปัญญาเนี่ยปัญญาที่รู้ว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนอันนี้ไปแยกแยะได้เลยเนียตัวปัญญาไปแยกกรรมสกตาปัญญาแยกแยะ กายกรรมวจีกรร ม, มนโนกรรมทั้งที่เป็นกุศลอกุศลแยกแยะไอ้คำว่าในตัวสัมมาทิฏฐิสูตรเนี่ยคำว่ารู้จักกุศลรู้จักอกุศลรู้จักกุศลกรรมบทและก็รู้จักอกุศลกรรมบทและยังรู้จักรากเงาของกุศลรากเงาของอกุศลเช่นงดเว้นจากการฆ่าปาฏิบาตอธินาทานการเมสุมิวิชาจาน มุสาวาตปิสุนาวาจาพุทสวาจาสัมภปาลาปะปาพิชาพยาบาทมิชาทิฏฐินี่ก็อกุศนก้อนบทสิบนี่รู้จักอกุศน ร, รู้ละเอียดเลยนะเนี่ยกายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมที่เป็นอกุศนแล้วก็รู้จักรากโลภะโทสะโมหะเป็นรากของอกุศลอย่างนแล้วอกุศนเวลาเกิดขึ้นมามันไม่มีเหตุปัจจัยจากรากของมันไอตัวรากบรรดาโลภะโทสะโมหะนั้นมาจากอโยนิสโสก็รู้อโยนิสโสมาจากปาปมิตร การฟังอสัตธรรมฟังอสัตธรรมมาจากปาปมิตรปาปมิตรอยู่ในถิ then, the ่นที่เหมาะสมการอยู่ในถิ่นที่เมาสมมาจากผู้เพยกระตะปญญาเนี่ยเออมาจากการตั้งตนด้วยผิดการตั้งตนด้วยผิดเป็นปัจจัยเป็นสร้างเหตุปัจจัยที่ผิดแล้วม็เกิดในถิ่นที่ผิดได้ครอบปาปมิตรได้ฟังแต่อสัตธรรมเป็นอโยนิโสพราะอโยนิโสเกิดขึ้นโลภะโทสะโมหะเกิดพอโลภะโลภทสะโมหะเกิดก็ทำกายทุจริตวิจีทุจริตมโนทุจริต พอทำกายยโสจริตจิตว like like ิจิตริตมโนจิตจิตเกิดขึ้นมาปุ๊บก็มีผลก็อบายทุกติวิบัตนโลกยังไงก็ว่าไปเนี่ยมันเห็นตลอดอย่างเงี้ยปัญญาไปเห็นตลอดสายอย่างนี้เลครับในทางตรงกันข้ามถ้ากลุ่มของตัวกุศลรู้จักกุศลกรรมบทก็รู้ว่ากายโุจริตวิจิตรจิตมโนสุจริตวัดเวะนะละปานาติบาตละอาทินนาทานละคาเมสุวิชาฌานละมุสาวาตปิสุนนาวัจจะพุทสวัสดิพะละอภิชาละพยาบาต ธรมสมาธิทีิเกิดขึ้นก็รู้รากของกุศลคืออโลมพะอโทสะโมหะแล้วปัจจัยที่ทําให้อารโอภาอโทสะโมหะเกิดขึ้นก็โยนิโสมนสิ ก, กานโยนิโสมลสิกรารก็มาจากการฟังพระสัทธรรมฟังพระสัทธรรมจากครบสัดบุตรครบสัด บ, บุบอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมมาจากุูเพกตะบุญจามาจากอัตตสัมมาทิฏฐิไล่มาตามลําดับมันเห็นตลอดสายอย่างนั้นนหมือนกันไอกรณีลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่าตัวกรรมสกตาสมาิธิ คือปัญญาที่รู้ว่าสัตว์ทั้งหลายมีสุจริตกรรมและทษจริตกรรมเป็นทรัพย์สมบัติของตนและรู้ด้วยสุจริญกรรมและทษจริญกรรมมันมีรากมาอย่างไง ร, รากเงาของเขาเป็นยังไงมันเห็นอย่างนั้นสัมมาทิฏฐิปัญญาที่รู้อุบายในการทําให้ใจสงบจากนิวรธรรมความเป็นไปของฌานองค์ฌานตลอดถึงปัญญาเนี่ยพัญญาทั้งหลายนี้เป็นฌานาสัมมาทิฏฐิหมดเลยนะ นั้นปัญญาที่เขาไปรู้ว่าจะทํายังไงทําให้อุปจาราสมาธิเกิดขึ้นปัตตมชฌานทุติยฌานเกิดขึ้นแล้วรู้วิธีการกระทําแล้วก็กระทําให้เกิดขึ้นได้จริงๆเิงเอ็ฌานสมาธิิจนถึงปัญญาในอภิญยาทั้งหลายเหล่านี้ยเป็นฌานสมาธิิส่วนวิปัสสกาสมาธิปัญญาที่เข้าไปรู้ทั้งลักษณะเฉพาะตัวสภาวะลักษณะและสามัญญลักษณะของสภาวธรรมคือรูปนามกันนะอันนี้จางทุกขังหน้าตา อันนี้กระวปัสสนาสมาธิฐี่ส่วนมรรคสมาธิสี่คือปัญญาที่ทากิจในการประหารอนุสัยกิเลสโดยมีนิพพานเป็นอารมณ์เห็นไหมทากิจในการประหารกิเลสเลยนะไอตัวการที่ไปแทงตลอดอริยสัจเนี่ยคือปัญญาในอริยมรรคเนืแทงตลอดทุกในรอบรู้ในทุกละสมุ ท, ทยัยทำนิโรธให้เป็นอารมณ์ แล้วก็ประชมมัคในนั้นเลยนั่นแหละเป็นตัวมัคสมาธิเป็นโลกุตระสมาธิแท้ตัวนี้ไอตัวนี้แหละคาว่าสมาธิเนี่ยที่บอกว่าสมาธิเนี่ยถามว่าจักประจักแก้งที่ไหนก็คือปัญญาตัวสมาธิที่นแหละที่อริยสัจสีเพราะในขณะที่ ในเป็นโลกิยะสมาธิถี่อยู่เนี่ยตัวนี้ยังไม่ประจักษ์ชัดในอริยสัจเพียงเป็นปุปภภาคเป็นเบื้องต้นแต่ปัญญาในอริมาร์ต่างหากที่เป็นปัญญาที่ทันตลอดอริยสัจจริงๆนะเป็นมรรคสมาธิถี่ในตัวนั้นต่างหากแล้วก็บพระหรือผลสมาธิถี่คือปัญญาที่สวยผลจากการที่มรรคยานได้ทําการปานานุสัยก็มีนิพพานเป็นอารมณ์นี้เป็นสวยมืดทสุข เป็นผลละสมาส่วนปัจจเวกสมาธิถี่เนี่ยเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นหลังมรรคขยานผลญาณนะเพื่อพิจารณาธรรมะพิจารณาอะไรเอาถ้าเป็นพระโสดาบันจะมีปัญญาเกิดขึ้นพอได้พอได้โสดาปฏิมาปุ๊บต่อด้วยหนึ่งขณะโสดาปฏิผลปุ๊บปุ๊บปสามสมมติเงี้ยนะหรือสองก็แล้วแต่แต่แล้วแต่บุคคลไม่เหมือนกันเกิดขึ้นทึ๊ดทึุ๊๊บลงพอวังขึ้นวิถีใหม่ ไอ้วิถีใหม่ตรงนี้แหละที่เกิดขึ้นมาเรื่องปัจเจกสัมมาทิฐิก็คือปัญญาไปพิจารณากิเลสที่ละทื่อๆที่ละได้เท่าไหร่มันจะเห็นแล้วคนที่ศึกษามาดีก็จะรู้อ๋อถ้าเป็นพระสดาบันสักยญาทิฐิวิจิขิขาสีระพตาปรามสาสขาดนิกิเลสที่ละแล้วกิเลสที่เหลือก็รู้เลยอ๋อยังมีพวกรูปาราคะรูปาราค า, ปป า, คาพวกกามาราคาทั้งหลายที่ยังเหลือเป็นต้นปฏิฆาเนี่ยจะถึงอาวิชาโอ้ยังรู้แล้วก็ รู้เลยว่ามรรคจิตที่ได้คือสดาปฏิมรรคผลจิตที่ได้โสวดาปฏิผลแล้วก็นิพพานของโสวดาปฏิมรรคของสดาปฏิผลที่ได้ก็เลยพิจารณากิเลสละแล้วกิเลสที่เหลือพิจารณามรรคพิจารณาผลพิจารณาพระนิพพานก็เลยชายขณะที่บรรลุเลยทํห้ารอบเลยตืดตดตืด ต, ด ต, ด ต, ด ต, ดตดเขารู้ทันทีเลยเขารู้อ๋อนี่เป็นปัจเจกสัมมาทิฐิปัญญาพิจารณาถึงบอกว่า ถ้าคนบนรรลุถ้าศึกษามาดีเขารู้หมดเขาตอบได้เลยคุณเป็นอะไรก็บอกอไม่ใช่บรรลุแล้วยังงงๆว่าไม่รู้ผมไม่ไม่รู้เรื่องเลยอย่นี้ไม่ใช่อมบรรู้เมืม่อกี้อะไรเกิดขึ้นรู้บูบบ้างนั้นนะไม่ใช่อย่างนั้นนะไอ้นั้นง่ว ง, ง, วงเออจะเล่าให้ฟังตอนนั้นไปไปฏิบัติเ อ, อมีพระรูปหนึ่ง เออเนนเนให้ปฏิบัติยุบหนอบองเออขอเม่ไปพูดไปถูกพอไปปฏิบัติเนี่ยพอเขานั่งปฏิบัติปุ๊บเขาก็นั่งนิ่งกันแปดชั่วโมงออกมาก็สดชื่นแล้วเขานั่งอยู่ท่าไหนอยู่ท่านั้นจริงๆให้กําหนดเขากําหนดเข้าได้ตลอดกําหนดเวลาได้เลยโอ้โหคือหากันใหญ่แล้วเราตื่นเท้นมันทําได้เว้ยหานเอาหมอโรงพยาบาลมาตรวจเลย เวลาเขาเข้าปุ๊บเนี่ยเขาจะสามปิดเลยไม่รู้สึกตัวเลยจับแขนวางตัวนั้นนึงเขนั่งเฉยมาวัดชีพจรเต้นเบามาั้งเขาเป็นเขาอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้สึกไปแล้วแล้วเป็นอย่างเงี้ยคนก็โอ้โหบรรลุวะเฮ้ยนึกว่าบรรลุอะไรเนี่ยก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรที่แรกเนี่ยโอ้โยารค้นมากเลยการปฏิบัติแนวนี้เป็นเพราะอะไร บางทีนี่เนี่ยเ่ยตอนเย็นเนี่ ย, น, ยนั่งเข้าสมาธิพอเสียงพอสวดมนต์เสร็จพวกเสียงระฆังดังพวกก็นั่งสมาธิไปแล้วฟุ๊บเข้าได้เลยมารู้สึกอีกทีเสียงะระฆังเก่งเก่งธรรมวชิรนี่เป็นอย่างเงี้ยแล้วเป็นอย่างงี้ตลอดเลยงั้เป็นเพราะอะไรวะ พองใสแต่ไม่รู้จริงๆตรงนั้นะมันวุบไปอย่างเงี้ยไม่ได้เหมือนไม่หลับนะครับไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้แต่มารู้ทีเสียงระฆังอย่างเงี้ยนะโอ้โหก็ถือว่าสุดยอดแล้วใช่ไหมโอ้โหกว่าจะรู้ความจริงอะไรรู้ไหมได้แค่อุปจาระ ไอตัวอุปจารสามาธิมันเป็นตัวส่งครับจิตมันแนบดิงด่งดิ่งดิ่งไปปุ๊บแล้วมันตกชาวนาพอสุดสิ้นชาวนาปุ๊บมันลงพวังเชิงลึกมันเลยอยู่ท่านั้นตลอดเลยปึกอยู่ในพวังตามที่ตัวเองตั้งใจไว้ด้วยเช่นจะอยู่สองชั่วโมงสาชั่วโมง5้าชั่วโมงเนี่ย พปุ๊บมันก็ออกจากภวังขึ้นสู่วิถีธรรมดามันเป็นการหลับที่ลึกมากเพราะมันถูกกำลังส่งจากสมาธิระดับอุปจาระเป็นสมาธิที่มันข่มนิวอนได้ระดับเบื้องตน้นมันส่งลงสู่ภวังมันถึงลึกมากจึงไม่ได้ยินอะไรเลยครับเหมือนการเข้าสมาบัติได้ยินไ ม, ไม่ได้ยินแต่เขารู้สึกตัวพวกชานทั้งหมดมันรู้สึกตัวแต่อันนีมนไม่รู้สึกตัว แต่บางคนไปนึกว่าเข้าพระละเข้าอนันนี้นี่โลดบ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไปเนี่ยไอ้คนปฏิบัติแบบเนี้ยเต็มเยอะมากที่ไม่รู้ตัวตรงเนี้ยขาดครัวจานที่แนะนําที่ดีเนี่ยมันถูกส่งด้วยสมาธิยงไงสมาธิที่แรงจัดระดับเกือบเป็นฌานไปแล้วเป็นอุปจาร์แล้วมันใกล้ต่อฌานใช่ไหมสมาธิมันดิ่งดิ่งดงดงดิ่งดิ่ดไอ้สมาธิมันก็เป็นโชนะเรานี่แหละครับทีนี้พอมันตั้งกิจไว้เพื่อจะสงบ เพื่อจะเข้าเลยเนะี่ยแทนที่มันจะขึ้นสู่สมาธิมันไม่ขึ้นมันลงผวังปึ๊กเชิงลึกเลยตัวเนี้ยเป็นผวังกับจิตเกิดต่อตามที่กําหนดไว้เลยครับไม่ได้ยินอะไรเลยครับอยู่ในท่า น, นั้นแหละหายใจเบามากแทบไม่มีเลยครับพอครบกําหนดที่ตนเองตั้งจิตไว้ป๊อปป๊อปขึ้นมาถามว่ารู้สึกตัวไหมไม่รู้สึกตัว เป็นอย่างเงี้ยเยอะมากในยุคนั้นหาสาเหตุกันไม่เจอเราก็ตอบไม่ถูกเป็นเพราะอะไรวะเพราะอะไรวะกัน อ, อยู่ดีเลยกลัวจะรู้แทบตายนี่แค่นี้แค่นี้ได้แค่นี้ก็บุญเปน็นท่างแข่งกับใครก็ได้เหมือนเข้าสมาบัติที่ไหนได้ผวังกับจิตลงพวังเชิงลึกถูกส่งด้วยกำลังของสมาธิ คือปกติอะถ้าไม่สะดุดลม้มสมาธิตรงนี้ลงถ้าถ้าไปอีกหน่อยมันจะขึ้นเป็นชานนะถ้าเป็นชานนะจิตมันจะรับปฏิภาคคณิมิตเปนะ็นอารมณ์นี้มันนิมิตก็ไม่ได้ยังไม่ได้ถึงนิมิตนั้นาามไม่ตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่อุปจาระแล้วอุปจารานะนี่ยมันจะถ้ามันได้อุปจาระมันเชิงนั้นปุ๊บมันจะมีปฏิภาคคณิมิตก่อน ไอ้ตัวปฏิภาคขัมิตรที่ได้เล็ก ๆ, ๆต่อไปแล้วก็เด่นขึ้น<อ>เด่นขึ้ น, น, นตัวปฏิภาคขัมิตรเนี่ยเป็นอารามนาปัจจัยเป็นที่อาศัยที่มีกำลังทำให้จิตนั้นยกจิตขึ้นสูงขึ้นสู่ระดับปฐมฌานมันต้องได้โปรตัวปฏิภาคขัมิตรตัเว เ, จจจเป็นตัวดึงก่อนใช่ไหมถ้าไม่มีอารานาไม่มีปฏิภาคขัมิตรที่เด่นที่สว่างเจิดจ้าเป็นตัวดึงจิตขึ้นมาจิตมันจะลง จิตมันจะลงสุภวังนี่มันดึงดึงไว้ดึงไว้มันตื่นเต้นตลอดจนยกจิตแล้วพัฒนาจิตจากอุปจาระเขาถึงอัปนาเลยครับนั้นพลังของอารมณ์เนี่ยมีพลังมากเพราะว่าจิตมันสร้างนิมิตขึ้นมาจนจนดึงกระชากจิตขึ้นสูงละเอียดจนจนจนข่มกิเลสได้ขนาดนั้นเลยครับมันจึงตื่นเต้นมากคนที่จะได้ฌานได้เลยมันตื่นเต้นมา ก, า ม, ม, ากมันตื่นเต้นยิ่งกว่ายิ่งกว่าเล่นเกมครับ พอมันได้ก็โอ้โหตื่นเต้นแล้วมันมันมันอารมณ์อื่นๆมันไม่เคยได้อารมณ์แบบนี้มาเลยในชีวิตเนี้ฉะนั้นคนที่ได้ฌานสมาบัติจริงๆแล้วจึงไม่อะไรอววรกับอาหารการกินการอะไรต่างๆเลยใจมันน้อมไปเรื่องนี้ตลอดเลยครับมันตื่นเต้นมากมีพลังมากเป็นมหาคตาจิตเป็นฌานนาจิตเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากเห็นไหมแล้วจิตที่ยิ่งใหญ่มาก แล้วโอ้โหได้แค่ครั้งเดียวเนี่ยกิเลสมันสงบลาบคาบเลยมันอยากจะเข้าต่อไหมโอ้โหอยากจะเข้าแล้วไม่ไม่สนใจสีเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์และธรรอารมณ์ครับไม่ไม่สนใจเรื่องการบุคคลนะครับมันคนละเรื่องแล้วแล้วความสุขมันต่างกันมากมายมหาสาลคนละโลกกันเลยครับต่างกันมากเลยใจเน้อเพราะมันมีมันมันมันมีพลังอย่างยิ่งใหญ่นะอารมณ์เนี่ยมัน เป็นอารมณ์ปัจจัยเป็นมีที่เป็น ท, ที่ที่มีกําลังจิตไม่อยากจะออกเพราะได้ปฏิภาคนิวพตนแล้วมันไม่อยากจะไปใส่ใจเรื่องอื่นแล้วมันงามมากมันเด่นมากมีพลังมากนั้นแต่แค่อุจจาระนก็นก็แทบจะจ ะ, จ ะ, จะหลุดออกอยู่ไม่ใช่อย่างที่เขาได้ได้กันนะครับยังอันก็เบือเบ้องต้นเบื้องต้นมันเบื้องต้น โดยมากท่านมันได้จริงๆเนะี่ยโวมีพลังมากมหาศาลพลังมหาศาลเปลี่ยนชีวิตครับเปลี่ยนทันทีจากชีวิตที่ติดกามาคุณติดอาหารติดอะไรทั้งหลายเนี่ยน้อยไปเลยครับพอให้มันอยู่ได้จริงๆเลยแต่จะไปใส่ใจเรื่องตรงนี้มากกว่าอย่างอื่นเพราะรู้สึกว่าโวยเกิดมายังไม่เคยมีความสุขขนาดนี้เลยในชีวิตนี้ ในสังสารวัตรนี่ในในในชาตินี้ที่เกิดมายังไม่เคยเจออะไรตื่นเต้นขนาดนี้สุขเจขนาดนี้โอ้โหอลังการลัขนาดนี้มันสุขขนาดนั้ น, นใช่แคอุจาระก็เริ่มตื่นเต้นแล้วพ อ, อพ ไ, ได้ปฏปนาไว่ต้องพูดถึงแล้วเข้ามันยังมีของเล่นอีกเยอะเลยเช่นพอได้ตรงนี้เสร็จแล้วยังต่อขึ้นไปอีกในระดับที่สองเป็นทุติยาชานทิตติยชานจดุติชาน ท, าาทีนี้มันยังสามารถ อาศัยอารมณ์อื่นๆไม่เยอะมากทั้งสามสิบสี่สิบวิธีใช่ไหมเล่นโหสนุกเลยทนี่เหมือนเล่นเกมเลยเหมือนเล่นเกมออกจากตรงนี้เข้าตรงนั้นออกจากตรงนี้เข้าตรงนั้นโอ้โหมันตื่นเต้นมากเลยเล่นเป็นสิบสองชั่วโมงไม่ต้องกินอะไรได้เลยครับแค่ขนาดนั้นเลยมันมันมั น, ม, นมันไม่ใช่เหมือนเหมือนเล่นเล่นเกมมันยังรู้สึกเสริมเสลือใช่ไหมตาเตอเหมือนไออะไรเลยดำหมดขอบตาดําเลยใช่ไหม อันนี้ไม่เลยผ่องใสผ่องใสเลยเลือดเอ้ยระบบร่างกายทั้งหลายผ่องใสหมดมันสเสถียรหมดเลยเพราะสมาธิสูงจัดนั่นถึงบอกว่าเป็นเครื่อชาในกีฬาเหมือนไปเล่นกีฬาเหมือนสนุกสนานอย่า น, นี้บางทีเจ็ดวันนะเจ็ดวันนึงออกสามวันสี่วันไปกินนิดๆหน่อยๆรีบไป มันติดมันติดมันนี่เขาเรียกว่าเสพสมาธิแล้วติดสมาธิเนี่ยในสมัยก่อนนี่พระรยาจะบรรลุเนี่ยพวกนี้เต็มไปหมดเลยครับฤทธิ์ลเลิศทั้งหลายเนี่ยเต็มหมดเลยอาราดาบวดฤทธกาดาบวดเนี่ยสองสำนักอาจารย์ใหญ่ในลูกศิษย์มิ้กค์เป็นพันๆได้ฌานสมาบาัติไปหมดเลยครับหรือว่าชดินสามพี่น้องว่ามาเนี่ยฌานสมาบัติเพียบพวกมีฤทธิ์กันอย่งนั้นในพวกนี้ เขามีมาก่อนเลยนะพวกนี้งั้นการเดินจิตเขาสู่สมาธิแต่พอมาทุกวันเนี่ยพวกเรามันเดินกันไม่ได้กามาคุณมันเฟื่องฟูจักเห็นไมเนี่ยมาเจอของเต็มไปหมดดูทีนี่มันเหมือนนักบวชที่ไหนแล้วมันมันเหมือนโรงงานแล้วใช่ม้หมล่ะในป่าก็ไปดูทีมันไม่มันไม่ได้มันไม่มันมันมันไม่ไม่ใช่แล้ว ไปที่ไหนในในประเทศไทยทั้งหมดนั่งแทบจะไม่มีที่นั่นมันกลายเป็นจิตมันก็ห่วงกังวลนีเนี้ยห่วงห่วงน่นนีแต่ น, นี้ขนาดพวกเราก็ถ้าทเทียบกับค า, าราวาสเราก็เบาที่สุดเลยนะเนี่ยถ้าค า, ารวาสหนักกว่านี้ีกครับนอนไม่เป็นเวลากินไม่เป็นเวลาถายเป็นเวลาหมอกมุ่นอะไรอยู่นั่นแหละเติรนขึ้นมาก็ตา ย, ยุยี่เห็นไหมชีวิต ก็จะกลับเข้าถึงบ้านได้โอ้โหมันมันหมดแล้วสภาพสภาพที่จะได้วิเวกอะไรเงี้ยแทบไม่มีเหลือแล้วครับทุกวันนี้ต้องชิงจังหวะกันจริงๆต้องต้องมีความเข้าใจอถ้าเดินปัญญาไม่เพียงพอร่วงต้องเดินปัญญาเพียงพอต่อการที่จะสามารถที่จะไปไปไปเข้าใจสภาวะธรรมทั้งหลายเรื่นี้เป็นต้นนี่นี่เป็นอย่างนี้เห็นเวลาเราใหม่ๆเนี่ยที่เรา ระหว่างที่กามมาคุณก็รุนแรงแต่ใจเราที่จะ เ, เราต้องการสุขที่มันยิ่งกว่ากามไอ้ตอนนี้แต่มันยังไม่ได้เนี่ยตอนนี้มันจะแย่งกันอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่าสุขจากการนอนสุขจากการกินสุขจากการได้เห็นจากการได้กลิ่นลิ้มรสสุขจากการพูดคุยสนทนาี่ไอ้สุขจากกามมาสุขเนี่ยมันยังมันมันยังเผารนใจพวกเราอยู่ มันเริ่มเาใจลงแต่ถ้าหากว่าคนที่เขาจะน้อมไปหาชาณาสุขหรือว่าเนคขมาสุขจริงๆเนี่ยจิตมันน้อมออกจากกาจริงๆมันสุขครับสังเกตได้มันสุขมากเลยปัญญามันเห็นมันเข้าใจทันทีว่ามันเป็นความต่างกันมากประเด็นก็จะบอกว่าทําไมพระโพธิสัตว์พระเจ้าถึงถามตัวเว่าเราเสียดายสุขที่ไม่ต้องเราเราอะไรสุขในกามาสุขไหม กลัวไหมถ้าเราจะมีสุขที่มันยิ่งกว่ากามแล้วใจเราเราไอ้กามาสุขของเรามันจะหมดรสชาติไปนะกลัวไหมถ้ามันได้สุขที่ประณีตกว่าดีกว่าเลิศกว่าประเสริฐกว่าแล้วเนี่ยต่อมาใจมันจะไม่ยินดีในกามาสุขยังห่วงหาอาวบนอะไรมันไหมมันถามตัวเองอย่างนี้บ่อยบๆอยบอยบยบมันจะไม่มีความสุขจากการพูดคุยกับเพื่อนกับโยมกับใคร จะไม่มีความสุขจากการได้กินอาหารอร่อยอร่อยสุขจากการได้ไปเที่ยวตรงนู้นตรงนี้สุขได้ทํำนู้นทํานี้ไอความสุขตรงเนี้ ม, นมันจะมันจะมันจะชื่อจือดหมดเลยนะถ้าเราได้สุขที่มันยิ่งกว่ากามอะยังอะไรอวรมันไหมพอใตใจมันตัดพัวไม่อะไรเราจะเอาสุขอย่างนี้เลยใจมันนึงฟุดออกมาจริงไหมมันเหมือนการตัดสินใจอะ มันการตัดสินใจว่าเหมือนเล่นเกมอยู่ไหมเกมหยบหยาบรู้สึกหนักเว้ยเกงลบเกมันแต่เราจะไปเล่นเกมที่มันละเอียด <c oughs> เกมที่มันรู้สึกมันละเอียดมันไม่ต้องไปใช้ความรุนแรงทางจิตเนี่ยแต่มันดีกว่าปรัญีตกว่าให้ปัญญาให้ข้อคิดเนี่ยยังอะไรอวอนไม่เกงยิงกันตึงต้งตึงต้งไอ้เกมเกมแบบนี้เนี <c> ่ <oughs> <c oughs> เรารู้สึกมันเล่าร้อนมันเจ็บปวดมันทุกข์มันทรมารบอกไม่อะไรอวรแล้วมันทิ้งเกมแบบนี้เลยแล้วก็ไปน้อมไปเล่นเกมที่เป็นไ ป, น เ, ปนเป็นอย่างสมมุติอย่างเงี้ยไอคนที่จะน้อมเข้าหาฌานอันนี้นี่แค่อุปมาเนี่ยมันต้องมันต้องไม่อะไรอวรต่อกามาสุขบางทีมันอะไรอวร์นะเออเดี๋ยวเราต้องโทรไปบอกพ่อบอกแม่โทรไปคุยตรงนั้นต้องไปคุยกับเพื่อนตรงนั้นต้องไปอย่างเนี้ยมันหยาบจาก ใช่ไหมมันหยาบใช่ไหมเอาอะไรอววรไหมเน้นอะไรอววรไหมถ้าไม่เด็ดขาดนี่เขเรียกลังเลไอลังเลตัวนี้ก็เราวิจิกิจฉาวิจิกิจฉาคือโมหะโมหะก็คือปัญญาไม่เกิดเป็นปฏิปักษ์ต่อปัญญาแปลว่าปัญญาไม่เกิดถ้าปัญญาเกิดมันเปิดมันเห็นมันพิจารณาหมดเลยนะ พิจารณาเหตุพิจารณาผลพิจารณาเหตุพิจารณาผลแล้วตัดเลยไม่เอาเลยมันเป็นอย่างนั้นครับปัญญาจะเป็นไปลักษณะแบบนี้อาจารย์อย่างคนที่ที่ศึกษาเรื่องอริธรรมหรืออะไรคือเน้นปัญญาเป็นหลักอาจารย์คือเหมือนึงว่าเขาบอกว่าไม่จำเป็นต้องทำสมาธิก็ได้เจริญปัญญาไปไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไอ้ น, นั้นศึกษาผิดอริ ธ, ธรรมเนี่ยโอโ้โห เอางี้กามาวจราจิตมีอะไรอกุศลละจิตอเหตุกจิตมันการมาจิตหมดเลยเนะ้นเห็นได้ยินเป็นต้นแล้วก็แล้วก็มาหากุศ ล, ลจิตมาหาวิปากาจิตมาหากริยาจิตแล้วก็ต้องมาเรียนรู้อะไรรูปาวจราจิตกับปฐมฌานตุเตียฌานตัดเตียฌาน จตัวทชฌานปัญจมาฌานแล้วก็อรูปปัฏฐจิตอากาสารานใจนะวิญญาณานาอากิจัญญาณีวะนิ่ฌานทั้งนั้นต้องศึกษาจนเข้าใจมันนี้แล้วจึงไปเรียนเรื่องโลกกทัรจิตไอตัววิปัสนาอยู่ในมหากุศลฉะนั้นอภิธรรมต้องเรียนทั้งหมดเรียนทั้งสมถะเรียนทั้งวิปัสนาเรียนทั้งศีลสมถะวิปัสนาดูนี่เป็นอย่างนี้ กามาวจรจิตที่เป็นศีลเป็นยังไงกามาวจรจิตที่เป็นอุปจารสมาธิเป็นยังไงเรียนทั้งหมดแล้วก็เรียนรูปาวจรจิตที่เป็นปฐตถมัชฌานเป็นยังไงที่เป็นทุติยฌานเป็นไงตัทยฌานไงเจตุลฌานปัญญฌานไงวิตากะวิจาระปีติสุขะเอกคตาเป็นยังไงต้องเรียนรู้ทั้งหมดแล้วก็เรียนอารมประชานแล้วก็เรียนโลภุตระจิตงั่นคุณต้องรู้ทั้งหมดไม่ใช่เน้นปัญญาก็เน้นทั้งศีลเน้นสมถะเน้นวิปัสนา ไม่ใช่เป็นกลุ่มวิปัสนาล้วนๆด้วยกลุ่มนี้กลุ่มเป็นสมถียานิกเดส่วนใหญ่พวกเรียนเรียนเนี้ยกลุ่มเรีย น, ยนอภพิญญาทั้งหมดด้วยเรียนทั้งหมดเลยเรียนรู้ในการที่จะต้องฝึกยังไงให้ได้อย่างนั้นด้วยนั้นกลุ่มพวกเนี้ยเป็นกลุ่มที่ต้องการขับเน้นขับเน้นปัญญาที่ถูกต้องไม่ได้เน้นปัญญาอย่างเดียวครับเน้นทั้งหมดเลยปัญญาที่ไหนเลยเนะี้ยโลภะโทสะโมหะปัญญาที่ไหนโอ้โหอกุศลล้วน นี่เป็นอย่างนี้เพราะรู้มีฐานตรงนี้นึ่งถึงอ่านคัมภีร์เขา้าใจต้องมีฐานบาลีวิฐานาวิธรรมมันมันหมายถึงว่าเขาบอกไม่ต้องทำสมาธิมากเน้นเจริญปัญญาเป็นหลักไม่จริงแล้วบอกเลยถ้าทําอย่างนั้นนะ่ยเดือดร้อนพอในขณะที่ได้แค่สมาธิเล็กน้อยแล้วไปต่อปัญญาปุ๊บเด็กกิเลส ก, ก็แทกง่ มันก็จะมีรักไหนว่าถ้าไม่ได้จริงๆถ้าทำสมาธิไม่ได้จริงๆก็ใช้เฟดสองก็คือนั่นแหละใช้สมาธิแบบน้อยๆแล้วก็เดินปัญญาแต่ถ้าได้สมาธิแล้วดึงอันดับแรกเลยเห็นไหมเป็นนี้คืออย่างนี้เอางี้นะในพิธ ร, รมเนี่ยเช่นปริเฉตที่เก้าเนี่ยสมถะทั้งเล่มเลยครับทั้งเล่มเลย สมศิปปะริเขตที่เก้าเนี่ยมีสมถะเล่มหนึ่งวิปัสนาอีกเล่มหนึ่งโอ้โหสมถะต้องเรียนทั้งในวิสุตติมารคดึงมาเลยครับดึงมาหมดเลยในวิสุทธิมาร์คกรรมฐานสี่สิบเรียนน้อยที่ไหนแล้วแล้วก็ไปเรียนวิปัสนาญาณสิบหกโอหเรียนไปเลยไม่ใช่อย่างที่บอกว่า อภิธรรมเน้นปัญญาเลยสมถะเยอะเลยท่องโดยต้องทองแล้วต้องแยกแยะองค์ประกอบเลยนะว่าสมาธิระดับนี้ใช่ม อ, อ, อุปจารสมาธิได้นิมิตเท่าไร่บริกรรมมอุปจารณิมิติภาคนิมิตเท่าไหร่บริกรรมนอุปจารณิมิตปฏิภาคนิมิตได้ภาวนาเท่าไหรบริกรมภวนาอุปจารณิมิตปฏิภาคนิมิตได้ภาวนาเท่าไหร่บริกรรมภาวนาอุปจารภ า, า, าวนาเน่ ก, กนอุปรณปา้ภาวนาเท่่กมภาวนาอุปามนั้วนา เยอะอวิธรรมในสมถะเยอะวิปัสนาต้องไปเรียนนู้นปริเขตเก้าเนื้อต้องไปเรียนนู้นริเขตเก้าเรียนปฏิจจากะบริเขตแปดใช่หมล่ะแล้วก็เรียนโพมพบโพมก็เรียนหมดเรียนหมดแล้วก็สมถะวิปัสนาบริเขติกามจึงไปปฏิบัติได้ แน่นอนแน่นอนแน่นอนสมาธิพิคเวบาเวตาที่ว่ามัน ถ, ถ้าสมาธิแข็งแรงมากโอกาส ท, ที่จะที่จะนวิปัสนาไดา้มันก็มีเยอะกว่าที่จะแสขึ้นคือมันอย่างนี้ก็ก็เป็นเรื่องลักหน่ว่าจริงๆมันคือสมาธิเนี่ย ม, มันเป็นเรื่องการพักวิปัสนาเป็นเรื่องของการออกไปวิจัยแยกแยะถามว่ามันเขาท่านได้อุปมาไงว่าในกรณีที่เป็นทหารเนี่ย เปิดประตูเมืองไปรบกับเขานี่ถ้าลบไม่ชนะทํำยังไงก็ถอยกลับตีละคังยกเลิกการลบปิดประตูเมืองกลับมาทำอะไรกลับมากินอาหารกลับมานอนมาพักผ่อนให้มันมีแรงไงพอมีแรงไปเสร็จก็ลั่นละคังใหม่เปิดประตูออกไปสู้กันการพักนะี่คือสมถะสมถะ พักอยู่ในสมาธิดิ่งในสมาธิคือพักวิปัสสนาคือการออกไปลบไปวิจัยไปแยกแยะทีนี้ถ้าสมาธิได้น้อยเวลาพักน้อยแล้วจะมีแรงลบ ก, กักเลื่แค่ไหนฉะั้นคนที่มีสมาธิเชิงลึกเขาจึงมีแรงในการลบ ก, กักเลืได้ดีกว่า สมาธิจึงเป็นฐานของปัญญายาณแบบนี้ยกเว้นยกเว้นบุคคลที่มีครูอาจารย์อยู่ใกล้ใช่ไหมเขาก็ใช้สมาธิไม่มากแล้วก็สอนในวิจัยถึงได้สมาธิไม่มากก็กลับบ่อยๆวิจัยได้ไม่เหมือนเหมือนเข้าไปพักนิดนึงก็ไปรอบนิดนึงก็ามาพักนิดนึงไปรอบนิดนึงอย่เงี้ย แต่คนที่ได้สมาธิเยอะๆปุ๊บนี่พักเขาออกไปลบได้นานไหมเขาพักนานเขาลบได้นานเหมือนกันท่านไปนั่งวิจัยลูประคันเวทนาแป๊บเดียวหมดแรงฟุ้งแล้วฟุ้งแล้ ว, ลวทำไงต่อท่านก็ทําอะไรไม่ต่อจริงๆท่าต้องถอยออกมาอยู่ในสมาธิท่านก็ไม่ถูกครูบาอาจารย์สอนแบบนี้ใช่ไหมก็ไปเรื่อยเรื่อ ย, อยไปทําอย่าง <laughs> อื่นส่งมันก็เป็นอยู่อย่างนี้ชีวิตจริงๆมันนั้นสมาธิที่เป็นระดับอุปจาระมันก็พักได้แป๊บเดียวเดี๋ยวจิตก็หลุดออกมา ใชล่แต่คนที่ได้สมถะระดับอปนาเขาสามารถกําหนดเป็นชั่วโมงก็ได้หรือเป็นสาสิบนาทีสี่สินาทีก็ได้เขาออกมาวิจัยต่อทื่อๆได้ยาวยังไม่ล้าของเราแป๊บเดียวเดี๋ยวลาแล้วสมมติกระบวนการความงั้นการที่จะไปวิจัยจนสามารถให้กิเลสหลุดได้เนี่ยมันเรื่องปัญญามันเรื่องของสติมันเรื่องความเพียรใช่ไหมที่มันต้องใช้กําลัง ของสมาธิน้อยแต่มันมีฐานสมาธิใหญ่เป็นฐานเบื้องหลังมันมีตัวส่งดีอยู่อย่างนี้เป็นต้นการปฏิบัติมันเป็นอย่างนี้นะครับมันจะลุยคิดอย่างเดียวไม่ถอยเขามาพักไอสมาธิคือพักแต่เราไปนึกว่าสมาธิคือทำซะนี่เราก็ไม่พักซะนี่สมาธิคือเป็นตัวพักเลยนะเพราะดิ่งในอารมณ์เดียวตั้งมั่นในอารมณ์เดียวพวกนี่นคือพัก พอพักเสร็จแล้วออกไปวิจั ย, ยเยอะแยะเพราะมองเห็นนี่ไงมันเป็นอย่างนี้มีใครถามอะไรไหมโอ้วันนี้ได้เยอะเหมือนกันเกือบสองชั่วโมงเลยเอาแล้ววันนี้สมควรเปลี่ยนเวลายังไม่จบจะต่อเกือบสองชั่วโมงแลนะ้วเนี่ยเลยไม่ทันจบเลยนั่งเหลือเยอะเลยปัญญา